พระสูตรที่เรียนวันนี้ชื่ออัตะถีปัสูตมาจากคัมภีสังยุตตนิกายขันธวารวักครับส่วนชื่อคมภีอะไรต่างๆนี่นะถ้าสนใจก็ลองไปอ่านในที่เขาย่ออะไรไว้ให้ก็ได้นะว่าพระไตรปิฎกมคคีคำพีคมภีไหนพูดเรื่องอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะก็มีเยอะแยะแล้วที่เขาทำเอาไว้ลองไปหาค้นคว้าดู แต่ว่าที่เรียนนี่ก็จะเรียนเป็นพระสูตรไปเลยนะจากคำพีสัมยุตติกายขันธวารวักพระไตริดกเล่มที่สิบเจ็ดจะเรียนจากภาษาบาลีนะแต่คำแปลก็มีให้เหมือนกันคำแปลเป็นฉบับแปลของมหาจุฬาเรียนจบแล้วก็กลับไปอ่านได้นะครับแต่ว่าเวลาเรียนก็เรียนเป็นภาษาบาลีนะเรียนให้มันยากหน่อยนะ ภาษาไทยมันจะง่ายใจผมชอบเกอยาๆ อ, <c oughs> อัตตะทีปะสูตรนะดูความหมายของพระสูตรก่อนนะครับอัตตะทีปะอัตตะก็แปลว่าตัวตนตัวเราทีปะแปลว่าเกาะภาษาอังกฤษเ่ยไอซ์แลนด์ทีปะแปล ว, ว่าเกาะ อัตตาแล้วว่าตัวเราตัวตนตัวเรานี่มีอยู่สองส่วนคือกายกับใจนะทีนี้ในด้านร่างกายเราก็คงจะพอรู้อยู่แล้วด้านจิตใจก็แยกออกมาเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรพวกนี้นี่คืออัตตาแยกเป็นกายกับใจหรือว่าขันทั้งห้าอะไรพวกนี้ก็ได้ นี่คือความหมายของคาว่าอัตตะคือตัวเราเป็นคำเรียบเฉยๆจริงๆตัวเราจริงมันไม่มีหรอกเพียงแต่ว่าเวลาพูดกันเขาก็เรียบกันนะครับทีปะแปลว่าเกาะแปลว่าสถานที่ที่ทำให้เราไม่จมน้ำเกาะเหมือนไอซ์แลนด์ท่ามกลางทะเลอัตตาทีประสูตร พระสูตรว่าด้วยเรื่องการมีตนเองเป็นเกาะมีตนเองเป็นที่พึ่งของตนเองทําให้ตนเองไม่จมน้ําเราลองนึกถึงอุ ป, ปมาอย่างนี้ก็ได้ก็คือสมมุติเราอยู่ในทะเลมีเกาะอยู่อันหนึ่งเราไปยืนอยู่บนเกาะนั้นเราก็ไม่จมน้ําไม่เหน็ดเหนื่อยไม่คอยเหนื่อยหรือว่าไม่วนไปตามน้ําทะเล อะไรอย่างนี้นะทีนี้การที่เราจะอยู่ในโลกแล้วไม่วนไปกับโลกมันก็จะสไตล์เดียวกันกันกบเรามีเกาะ อ, อยู่ในทะเลทีนี้เหมือนเราอยู่ในโลกเนี่ยถ้าเราไม่มีตัวเองเป็นเกาะเอาไว้เนี่ยเราก็จะไหลไปตามโลกคือถ้าเราไม่รู้กายไม่รู้ใจเอาไว้ไม่มีการพึ่งตนเองหรือว่าไม่อยู่กับตัวเองเราก็จะถูกโลกนั้นลากไปถูกสิ่งที่มองเห็นทางตา เสียงที่ได้ยินทางหูเรื่องที่เราคิดนึกทางใจเรื่องการงานเรื่องกําไรขาดทุนเรื่องการเมือ ง, เ ร, องเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องปัญหาธรรมชาติปัญหาทางโลกต่างๆมันล่ากออกไปที่มันล่ากออกไปนี้แสดงว่าเราจมอยู่ในทะเลแล้วนะอย่างนั้นชีวิตจะเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ลําบากทีนี้การมีตนเป็นเกาะก็คล้ายๆกับแทนที่เราจะอยู่ในทะเลอย่างนั้นเราก็มาขึ้นยืนอยู่บนเกาะแล้วก็มองดูทุกอย่าง ก็จะเห็นความจริงหรือเห็นอะไรต่างๆได้แล้วก็อยู่อย่างสบายการมีตนเองเป็นเกาะก็คล้ายๆอย่างนั้นแหละเราอยู่ในโลกแต่ว่าเราอยู่กับตัวเองอย่างนี้นะอยู่กับกายกับใจของตนเองไม่สนใจคนอื่นแต่โดยส่วนใหญ่เวลาเราเรียนกันเขาเรียนว่าให้สนใจคนอื่นแต่ว่าในหลักของธรรมะเนี่ยเขาไม่สนใจคนอื่นให้สนใจว่าตัวเองรู้สึกยังไง ตัวเองคิดยังไงแล้วก็รู้เท่าทันความคิดตัวเองรู้เท่าทันความรู้สึกตนเองและเจตนาที่ไม่ดีออกไปเราก็จะพูดดีเองโดยไม่ต้องสนใจว่าคนอื่นจะรู้สึกยังไงก็ได้แต่โดยส่วนใหญ่เวลาเราจะพูดดูคนอื่นเราก็ต้องคิดถึงคนอื่นใช่ไหมเอเขาจะรู้สึกกับเรายังไงพูดยังไงเขาจะถูกใจแต่อันนี้มันไม่ใช่ประเด็นปัญหาอะไระเราก็คิดแบบนั้นมาแล้วแต่ว่ามันแก้ปัญหาไม่ได้ เร า, าอ่านนั่นก็คือการเอาตัวเองไปจมอยู่กับความเห็นความคิดทัศนคติของสังคมความเห็นของคนอื่นคือบัญญัติตัวเราจากความเห็นของคนอื่นเท่านั้นเองถ้าคนอื่นว่าเราดีเราก็ดีด้วยอย่างนี้นะอันนี้มันก็จะอันตรายเพราะว่าสังคมโดยส่วนใหญ่มันไม่ค่อยเอื้อเท่าไหร่อย่างนี้นะทีนี้วิธีที่ปลอดภัยก็คือมีตนเองเป็นเกาะอยู่กับตัวเอง อยู่กับกายกับใจรู้กายรู้ใจตนเองเวลาเราพูดเราไม่สนใจคนอื่นว่าจะคิดยังไงสนใจว่าตัวเองคิดยังไงสนใจว่าตัวเองรู้สึกยังไงสนใจว่าตนเองเจตนาอย่างไงแล้วละเจตนาที่ไม่ดีออกไปละเจตนาที่จะพูดโกหกละเจตนาที่จะพูดคำหยาบเจตนาที่จะพูดส่อเสียดเจตนาที่จะพูดเพ้อเจร์เรารู้ทันตนเองเราก็ละออกไปนี่ <"N ay S 1> ไม่ได้สนใจคนอื่นนะ พูดกับคนอื่นแต่ว่าสนใจตนเองเมื่อรู้เท่าทันจิตใจตนเองเราก็จะละเจตนาที่จะพูดไม่ดีออกไปอันนี้ก็เป็นประโยชน์กับตัวเองคนอื่นก็ลอยได้รับประโยชน์ไปด้วยอย่างนี้นะฉะนั้นคนที่เขารู้เท่าทันตนเองจะไปทำร้ายคนอื่นนี้เป็นไปไม่ได้คนที่รักตนเองนั้นจะไปทาร้ายคนอื่นนั้นเขาเป็นไปไม่ได้ถ้าเขารักตัวเองถูกนะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่า คนที่รักตนเองถูกต้องนี้ก็คือคนที่คิดดีทดําดีพูดดีถ้าเขาบอกว่าเขารักตัวเองแต่ว่าเขาทําไม่ดีบอกว่ารักตัวเองแต่ไปกินเหล้าอย่างเงี้มันก็ใช้ไม่ได้อันนี้ก็เป็นแค่คําพูดเท่า น, นั้นเองรักตัวเองแต่คิดไม่ดีหานั่นหานี่มาให้ตัวเองปลนเปลือยตนเองอย่างนี้ก็เป็นแค่คําพูดเท่า น, นั้นเองเป็นคําพูดของกิเลสมันรักตัวเองไม่ถูกนะอย่างนี้นะครับ ฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านสอนให้รู้จักตนเองก่อนให้รู้จักรักตนเองก่อนท่านสอนถึงขนาดว่าบุคคลเนี่ยค้นคว้าหาไปตลอดทั้งโลกและตลอดทั้งส า, ากลจักรวาลแล้วไม่มีใครเลยที่เรารักมากกว่าตัวเราเองนะฉะนั้นคําสอนที่เขาสอนกันรุ่นหลังๆว่าให้เรารักคนอื่นอันนี้จึงเป็นคําพูดที่ไม่เกิดประโยชน์ให้เรา กตัญญูให้เราอะไรต่างๆอะไรพวกนี้เป็นคําพูดที่มันไม่ค่อยเกิดประโยชน์เท่าไหร่มันดีมากแต่มันทําไม่ได้เพราะว่าตัวเราเองเรายังรักไม่เป็นเลยเราจะรักคนอื่นนี้มันย่อมเป็นไปไม่ได้ยกเว้นจะฝืนใจหรือว่าเอาอุดมคติบางอย่างมาครอบงาตนเองเท่านั้นเองมันไม่ได้เกิดจากธรรมชาติด้านจิตใจอย่างเวลาพูดถึงว่าอาให้อ่อนน้อมกับผู้หลักผู้ใหญ่เราก็แค่ทําไปตามรูปแบบหรือว่าพิธี หรือว่าโดนครอบงาด้วยความคิดว่าเราจะเป็นคนดีด้วยวิธีนี้เท่านั้นเองมันไม่ได้เกิดจากความรู้ความเข้าใจจริงๆอย่างนี้เพราะว่าเราไม่รู้จักรักตนเองไม่รู้จักเคารพตนเองไม่รู้จักทำสิ่งที่มีประโยชน์กับตนเองอย่างนี้นะก็เราได้ร่างกายมาไม่เคยกระตันยู่ต่อมันเลยนะไม่เคยดูแลมันให้ดีได้จิตใจมาได้ตาได้หูได้จมูกได้ลิ้นได้กายได้ใจมาเป็นผลที่ทามา เราก็ยังไม่เกิดการสำนึกอะไรอย่างเงี้ยว่าโอ้ได้มันมาแล้วก็ดูแลมันให้ดีใช้มันเป็นเครื่องมือศึกษาเรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยยังไม่เกิดสำนึกอย่างนี้การที่จะให้เราไปรักคนอื่นมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้แต่ทีนี้เวลาเราถูกสอนเราจะสูกสอนไปข้างนอกเราไม่ได้ถูกสอนมาให้รู้จักตนเองนะ การคำสอนของพระพุทธเจ้านี้จะตรงกันข้ามจะตรงกันข้ามเคยมีเรื่องอุปมามีเรื่องอุปมาในพระสูตรมีนักเล่นกลไต้ลาวกับลูกศิษย์เขาเขาคุยกันสองคนอาจารย์บอกว่ า, าเราต้องช่วยรักษากันและกันนะเธอฉันจะรักษาเธอนะเธอก็รักษาฉันเราก็จะได้ แสดงกลพวกนี้ไปได้แล้วก็ทํามาหากินไปได้แต่ลูกศิษย์บอกว่านี่อาจารย์เขาพูดว่าเราจะได้ช่วยกันเนี่ยฉันรักษาเธอเธอรักษาฉันนะช่วยๆกันแต่ลูกศิษย์มาพูดบอกว่าอาจารย์ไม่ต้องรักษาผมหรอกอาจารย์รักษาอาจารย์นะแล้วผมก็รักษาผมต่างคนต่างรักษาตัวเองให้ดีแล้วเราก็จะ ทำมาหากินไปได้พระพุทธเจ้ายกสองเรื่องนี้มาแล้วก็รับรองคําของลูกศิษย์บอกว่าให้แต่ละคนในรักษาตัวเองการรักษาตัวเองนี่คือการรักษาคนอื่นเวลาเรามีสติสัมปชัญญะรักษาจิตใจตนเองเราไม่พูดไม่ดีเนี่ยมันก็รักษาตัวเราเองด้วยการรักษาตัวเราเองนี่แหละคือการรักษาคนอื่นเราไม่พูดคำหยาบละเว้นจากการพูดคำหยาบนี่ก็รักษาตนเอง แล้วก็เป็นการรักษาคนอื่นละเว้นจากเจตนาที่จะทำร้ายคนอื่นอันนี้ก็รักษาตนเองอย่างนี้ก็อาจจะเป็นการรักษาคนอื่นเรามีความสุขอยู่กับตัวเองอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกมีความสันโดษพอใจในสิ่งที่ตนเองมีเราก็มีความสุขอันนี้ก็รักษาตนเองแล้วก็รักษาคนอื่นคือเราไม่ไปเบียดเบียนของใครไม่ไปทุจริตหรือว่าไม่ไปโคดโกงใครมาอย่แล้อย่างนี้นะ ฉะนั้นในหลักของพระพุทธศาสนานี่ท่านท่านจะกลับข้างกับทางโลกทั่วไปคําสอนนี้คล้ายๆจะเหมือนกันแต่ว่าไม่เหมือนกันเหมือนกับคล้ายๆคําสอนว่าเออจริยธรรมน่าจะอย่างนี้อย่างนี้ถ้าเราอ่านดูมันเผินเหมือนจะใช่แต่โดยความจริงมันกลับข้างกันอยู่คือระบบจริยธรรมตามแบบพุทธศาสนานั้นอิงอยู่บนพื้นฐานของการรู้ความจริง ไม่ได้อิงอยู่บนพื้นฐานของอัตราตัวตนเป็นหลักไม่ได้อยู่บนพื้นฐานว่าเราต้องทําตัวเองให้มันดีให้มันถูกตามสังคมไม่ใช่เงี้ยแต่ว่าอยู่บนพื้นฐานของการเข้าใจความจริงว่าไม่มีตัวเราเหมือนกับว่าอ่อนน้อมอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ใช่เราต้องไปทําความอ่อนน้อมขึ้นถ้าตามหลักแล้วถ้าเราบอกว่าอ่อนน้อมถ่อมตนโดยการไปทําขึ้นก็แสดงว่าไม่มีไม่มีจึงต้องทําขึ้น แต่ถ้าเราเข้าใจความจริงอยู่แล้วอะเอ๊ะมันไม่มีตัวเรานะเรานี่ก็อาศัยคนอื่นๆในการนำรงอยู่ทุกสิ่งเิงอาศัยกันอย่างผมจะได้เป็นอาจารย์ก็ต้องมีท่านมานั่งเป็นนักเรียนถ้าท่านไม่มานั่งเป็นนักเรียนผมก็จะมานั่งพูดอย่างนี้ก็เป็นบ้าแนะฉะนั้นก็ต้องอาศัยกันเมื่อเราเห็นการอาศัยกันอย่างนี้มันก็เกิดความเคารพความอ่อนน้อมได้โดยอัตโนมัติอันนี้มันอยู่บนพื้นฐานของการเข้าใจความจริง ว่าเราอยู่เดี่ยวๆไม่ได้เราอยู่โดยต้องอาศัยต้นไม้ต้องอาศัยดวงอาทิตย์ต้องอาศัยคนอื่นๆที่มีเราคนนั้นคนนี้ขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยคนอื่นเหมือนกันเช่นเราจะเป็นสามีขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยพัญญาจะเป็นพ่อแม่ขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยลูกอย่างนี้จะเป็นคนนั้นคนนี้ขึ้นมาได้เนี่ยที่บัญญัติตัวเองขึ้นมาได้ก็เพราะบัญญัติจากการอิงอาศัยสิ่งอื่นอยู่ฉะนั้นถ้าไม่มี สิ่งอื่นมาอิงอาศัยตัวเราจะไม่มีที่อยู่มันเป็นกฎธรรมดาอย่างนี้เขาเรียกกฎอิทธิพปัญญาตาปฏิจจสมุปบาททุกสิ่งทุกอย่างมันอิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะถ้าไม่มีอันนี้มันก็จะไม่มีละอันนั้นที่มีอันนี้อันนั้นจึงมีมันกลับไปกลับมามันอิงอาศัยกันอยู่ยนี่นะ นี่หลักจริยธรรมตามแบบพุทธศาสนาเขาจะอิงอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความเข้าใจเหมือนเรื่องมีเมตตาอะไรต่างๆก็คล้ายๆกับให้เราไปทำเมตตาขึ้นแต่ตามหลักการจริงๆคำว่าให้เราฝึกฝนไปเจริญเมตตานี่หมายถึงว่าเราไม่มีนั่นเองถ้ามันมีมันก็ไม่ต้องไปทำความหมายมันเป็นนี่นะฉะนั้นมันต้องเริ่มจาก ตัวเราของเริ่มจากตัวเองก่อนนะการยอมรับว่าตัวเองไม่มีนั่นแหละมันเป็นจุดเริ่มต้นของการมีการยอมรับได้การมีความสุขจากสิ่งที่ตัวเองมีอยู่การยอมรับได้ในสิ่งที่ตัวเองมีนั่นแหละมันจะทําให้สิ่งอื่นๆนั้นมันค่อยๆเติบโตขึ้นมาได้ถ้ายังไม่รับยอมรับตั้งแต่สิ่งที่ตัวเองมีนะมันจะไม่มีอันไหนมันเกิดขึ้นมาได้นะมันมีแต่ต้องพยายามผลขวายทําขึ้น แล้วก็รักษามันแบบนั้นมันจะต้องเน็ตเหนื่อยไปอีกนานเลยอันนั้นเรียกว่าพวกไม่มีที่พึ่งพวกไม่มีที่พึ่งก็จะหาอันนั้นบ้างอันนี้บ้างหยิบช่วยมาจับมาแต่ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนะมันเป็นของเปลี่ยนแปลงฉะนั้นสิ่งที่ดูเหมือนเป็นที่พึ่งมันก็อยู่ได้ครับเดียวเราก็ต้องหาไปเรื่อยนะแต่พระพุทธเจ้านี้ต้นสอนตรงกันขา้ามสอนให้เอาตัวเองเป็นที่พึ่งเอาตัวเองเป็นหลัก เวลาพูดกับคนอื่นนี้ไม่ได้เอาคนอื่นเป็นหลักเอาตัวเองเป็นหลักนะให้รู้เท่าทันใจเราเองทํางานก็เหมือนกันให้ทันตัวเองเป็นหลักเข้าใจตัวเองเป็นหลักที่สัมพันธ์กับคนอื่นเนี่ยไม่ใช่เพื่อจะรู้จักคนอื่นแต่เพื่อจะรู้จักตัวเราเองแต่เราโดยส่วนใหญ่เราบอว่าเวลาคุยกับคนอื่นเพื่อจะรู้จักคนอื่นใช่ไหมมันเป็นไปไม่ได้หรอกนั้นน่ะทำให้ตายมันก็ไม่รู้จักเคยรู้จักกันไหม เป็นสามีภรรยากันเนี่ยคุยกันเข้าใจได้สองวันวันที่สมาก็ไม่เข้าใจกันอีกแหละนี่ขนาดอยู่ด้วยกันแท้ๆเพราะว่าเราทําไม่ถูกที่เราสัมพันธ์กับคนอื่นคุยกับคนอื่นเพื่อจะเข้าใจตัวเราเองเท่านั้นเองเข้าใจว่าเรามันมีครบมีทั้งโลภทั้งโกรธทั้งหลงมีทั้งอิจฉามีทั้งใจดีทั้งใจรมีทั้งพระเอกทั้งนางเอกมีทั้ง ความเป็นคนดีมีทั้งเป็นนางล้าอยู่ในนี้จะได้รู้ว่ามันครบทุกอันนะที่ต้องครบหลายๆคนเพื่อจะรู้จักตัวเองให้มันครบนั่นเองนะไม่ใช่ว่าครบหลายหลาคนเพื่อจะรู้จักคนให้มันครบครบนะครบกันหลายๆคนครบหลายๆรูปแบบใช้ชีวิตหลายๆสถานการณ์เพื่อจะรู้จักตัวเองให้มันครบว่ามันไม่มีตัวเองจริงอย่นเองเห็นไ้มอันนี้แหละเขาเรียกว่า การมีตัวเองเป็นที่พึ่งพอเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็จะได้ที่พึ่งที่แท้จริงดัง ก, การที่จะมีตัวเองเป็นที่พึ่งมีธรรมะเป็นที่พึ่งอะไรพวกนี้มันต้องเริ่มจากการรู้ความจริงแล้วก็ยอมรับความจริงได้ว่ามันไม่มีอันไหนเป็นที่พึ่งมันจึงจะมีที่พึ่งถ้า เ, เราจะอยากจะทําถูกอย่างเนี้ยมันทําขึ้นมาไม่ได้เราต้องผ่านการเรียนรู้สิ่งที่ผิดมาก่อน แล้วพอรู้สิ่งที่ผิดแล้วว่าโอ้วันนี้มันผิดมันผิดมันผิดมันก็จะถูกเหมือนกับเราหาหที่พึ่ง่เราต้องมาเรียนรู้ว่าโอ้มันไม่มีอันไหนเป็นที่พึ่งนะแล้วมันก็จะได้ผ่านนั้นมาการได้ที่พึ่งนี้ผ่านการรู้ว่ามันไม่มีอันไหนเป็นที่พึ่งนะการได้สิ่งที่ดีงามถูกต้องสูงสุดมาได้ผ่านมาจากการเรียนรู้สิ่งที่มันผิดพลาด แล้วก็ลากมันไป น, น, นะนี่ความหมายของอัตตาทีปนะเราจะได้เข้าใจหลักการของพระพุทธศาสนาว่าแท้ที่จริงท่านเน้นที่การฝึกฝนตนเองพัฒนาคุณภาพของตนเองให้ตนเองเป็นที่พึ่งได้นะเขาเน้นที่คุณภาพนะไม่เน้นที่ปริมาณคุณภาพด้านจิตใจก็คือศีลสมาธิปัญญาอันนี้ อคุณภาพคืออันนี้ศีล ส, สมาธิปัญญาเนะพราะใจเราไม่มีคุณภาพไม่มีศีลไม่มีสมาธิปัญญามันจึงเป็นที่พึ่งของตนเองไม่ได้พอมันเป็นที่พึ่งของตนเองไม่ได้มันก็สร้างแต่ปริมาณนะสร้างปริมาณอะไรบ้างก็ไปหาเอาเองนะในบ้านมีปริมาณเยอะไหม ปริมาณงานบางคนก็ทํางานนำลูกค้ามาสร้างปริมาณงานขึ้นมาเชื่อๆนะบางคนสร้างปริมาณบ้านปริมาณขนาดบางคนก็ทําบุญก็ยังปริมาณเยอะเองไหว้พระวัดเดียวก็ไม่พอต้องสิบวัดยี่สิบวัดอะไรก็ว่าไปแต่พระพุทธศาสนาท่านไม่เน้นปริมาณนะเน้นคุณภาพเน้นศีลเน้นสมาธิเน้นปัญญาไม่ได้เน้นจํานวนเงินที่บริจาคแต่เน้นว่ามันละกิเลสอะไรได้บ้าง ล่กความเข้าใจผิดล่ะความเห็นผิดอะไรได้บ้างไม่เน้นว่ากราบพระกี่ทีเน้นว่าเนี่ยมันล่กความเห็นผิดอะไรได้บ้าง ม, าาาามันลาานไไ่ า, ลาความยึดมัน่นถือมั่นอะไรได้บ้างเขาเน้นคุณภาพนะไม่ต้องมีเงินเยอะก็ได้ไม่ต้องทำอะไรดูรู้หราอะไรก็ได้ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะมีเราเท่านั้นแหละที่รู้ส่วนคนอื่นเขาก็ดูข้างนอกเท่านั้นเองคนที่รู้คือตัวเราเองนะ ในหลักการฝึกฝนนะตามหลักพระพุทธศาสนาท่านก็บอกว่าให้มีตนเองเป็นเกาะเหมือนกับเกาะที่อยู่กลางทะเลเราขึ้นไปอยู่แล้วก็ไม่จมไปกับทะเลหรือว่าไม่ถูกทะเลพัดไปทางนั้นทีพัดไปทางนี้ทีเหมือนกับเราอยู่ในโลกเราก็จะไม่ถูกโลกพัดไปทางนั้นทีพัดไปทางนี้ทีเดี๋ยวก็ข่าวการเมืองมาก็พัดไปทางนี้ข่าว ไม่ดีมาก็พัดไปอีกพัดไปโน่นพัดไปนี่อะไรพวกนี้เนะอันนี้เพราะว่าเราไม่มีตนเองเป็นเกาะเราเอาใจไปผูกเอาไว้กับตรงนั้นตรงนี้นี่ความหมายของพระสูตรนี้นะพระพุทธเจ้าท่านก็นเน้นเลยเกินและเรื่องการมีตนเองเป็นเกาะมีตนเองเป็นที่ึ้ง น, นะครับเราทั้งหลายโดยส่วนใหญ่ชอบช่วยคนอื่นนะชอบเมตตาคนอื่นแต่พระพุทธเจ้าท่านให้ช่วยตนเอง ให้รู้จักตนเองให้รักตนเองให้เป็นเมื่อรักตนเองเป็นก็จะรักคนอื่นเป็นด้วยทำดีต่อตนเองเป็นก็จะทำดีกับคนอื่นเป็นด้วยอย่างนี้นะฉะนั้นคนที่เขามาบอกว่าเขารักเราอะไรพวกนี้เราก็ดูง่ายเองว่าคนเนี้ยเขารักตัวเองเป็นไหมทำดีกับตัวเองเป็นหรือเปล่าถ้าเขากับตัวเองนะเขายังทำดีไม่เป็นเลยเขามาบอกว่าเขารักเราอย่างเงี้ยอันนี้มันก็พูดเฟร์เจอร์ทั้งนั้นเลย ัมไม่มีอะไรแต่เราก็คงชอบนะมีคนมาลักแต่ตัวเองไม่เคยรักตัวเองสักทีเกลียดตัวเองอยู่นั่นแหละคิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างหรือว่าทำอะไรไม่ค่อยได้ดังใจหรือว่าไม่สมความคาดหวังของคนอื่นก็รู้สึกน้อยใจตัวเองอยู่เลยรู้สึกตัวเองไม่ดีอะไรพวกนี้ความรู้สึกพวกนี้มันไม่ดีนะอันนั้นเอาความคาดหวังของคนอื่นมาครอบงาตนเองแต่ที่จริง เราต้องรักตัวเองให้เป็นรักแบบไม่มีเงือ่อนไขเี่ยก็เวลาเรารักคนอื่นเรายัางรักได้เลยไม่มีเงื่อนไขทำยังไงก็ได้นะทำดีบ้างไม่ดีบ้างเราก็ให้อภัยได้ตัวเองก็เหมือนกันนะนะเราก็ทำดีบ้างไม่ดีบ้างก็ต้องรู้จักให้อภัยตนเองรู้จักรักตนเองนะครับ ฉะนั้นไม่เป็นไรหรอกคำดีบ้างไม่ดีบ้างที่ผ่านมานั้นถ้าเราเข้าใจหลักความจริงว่าอทุกอย่างมันเป็นอนิจจังใ น, นเรื่องมันจะจบทุกอย่างเคยทําไม่ดีมาไม่มีปัญหาเพราะว่ามันผ่านไปแล้วนะไม่มีปัญหาอะไรในบาลีข้อสี่สิบสามนะครับในย่อหน้าที่หนึ่งนี้ก็จะเป็นคําที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงให้เราเป็น เกาเป็นที่พึ่งของตนเองนะในย่อหน้าที่หนึ่งเดี๋ยวเราจะอ่านไปทีละ ย, ย่อหน้านะแล้วผมก็จะอธิบายให้ฟังส่วนอธิบายแล้วเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ไม่เป็นไรมีคําไทยให้ไปอ่านข้างหลังในย่อหน้าที่หนึ่งนะอ่านพร้อมกันนะครับสาวัตถินิดานังอัตตีปาภิเคเววิหราธา อัตตาสรนาอานัญญาสรนาธรรมะดิปะธรรมะสรนาอนัญญสรนาอัตตาดิปานังพิเกเววิหรตังอัตตาสรนานังอนัญญสรนาธรรมะดิปานังธรรมะสรนานังอนัญญสรนา โยนิอุปาปาริกิตตบากิงชาติกาโสกาปาริเดวะทุกขะโตมณั ส, สุปายาสากิงปะโหติกาตินะอ่านแรกก็ยากหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรอ่านไปบ่อยๆเดี๋ยวก็คล่องนะ บาลีข้อ43สาวัตถินิดานังพระสูตรนี้เกิดในพระนครสาวัตถีเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีพระองค์ก็ตรัสพระสูตรนี้ขึ้นมาพระองค์ตรัสว่าอัตตบีปาภิกคเววิหาระธาดูก่อนภิสุท์ทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะพิคเวนะแปลว่าดูก่อนภิกษุททั้งหลายนะ คำว่าภิกษุนี้ก็เป็นคำกลางๆแล้วพระพุทธเจ้าเรียกทุกคนนะเรียกพิกษุเรียกเทวดาก็เรียกดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรียกเราทั่วไปก็เรียกดูกรพิสูจน์ทั้งหลายเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะเรียกพิกษุนะเรียกคนทั่วไปเป็นคำกลางๆอันนี้เรียกสําหรับพูดในการปฏิบัติเรียว่าการฝึกฝนตนเองเรียกคนที่มาปฏิบัติธรรมว่าพิกษุภิกษุอันนี้แปลว่า ผู้เห็นภายในวัฏฏะผู้เห็นภายในการวนเวียนเห็นภายในการเข้าใจผิดเห็นภายในความไม่รู้เห็นภายในความหลงเห็นภายในชาติคือการเกิดนะเพราะสมบัติที่ติดมากับความเกิดคือความแก่แล้วก็ความตายและก็โสกกระปริเทวะทุกโธมนัสอุปายาสและปัญหาอื่นหลากหลายเช่นต้องเลี้ยงลูก มีปัญหาไม่เลี้ยงลูกมีงานก็ต้องทำงานอะไรพวกนี้นะมีบ้านก็ต้องรักษาบ้านเดี๋ยวปลวกขึ้นบ้านเนี่ยก็คิดยากอปัญหามันเยอะเหลือเกินปัญหาเหล่านี้มาเพราะอะไรมาเพราะการเกิดได้เกิดมาเลยได้ปัญหามาด้วยผู้ที่เห็นภายในการเกิดอันนี้เขาเรียกพิสุขดังนั้นะถ้าเรามีปัญหาอะไรนี้ ให้เรารู้ความจริงออกไปว่าเพราะมีอันนั้นนั่นแหละมันมีปัญหาเพราะมีเราขึ้นมาคนนึงมันถึงมีปัญหาถ้าไม่มีเราขึ้นมานี้จะไม่มีปัญหาเช่นบอกว่าอู้ประเทศไทยทำไมมันมีปัญหาเยอะเหลือเกินถ้าเราไม่เกิดเนี่ยมันไม่มีนะไม่มีประเทศไทยไม่มีโลกไม่มีอะไรนะที่มันมีปัญหาโน่นปัญหานี้เพราะว่ามีตัวเราเกิดขึ้นมาเมื่อเกิดมาแล้วสิ่งที่คู่มันกับการเกิด สิ่งที่การเกิดเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นก็คือชารามรณะท่านคงจะเคยได้ยินนะนะชาติปัจจยาชารามรณัเพราะความเกิดเป็นปัจจัยชารามรณะมันจึงมีขึ้นสมบัติมันมาพร้อมกันเลยทีนี้ในระหว่างแก่ระหว่างตายนี่ก็จะมีเจ็บปวดโศกะปริเทวะทุกโทมาัตุปายาสะแล้วก็ ปัญหาอื่นๆนี่นนหลากหลายเหลือเกินเป็นไปหมดนี้เพราะว่าได้ชาติคือการเกิดขึ้นมาเกิดจากความไม่รู้ฉะนั้นคนที่รู้ความจริงอันนี้แล้วเขาก็รู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับมันแล้วโอ้มันวนเวียนไปวนเวียนมาอย่างนี้ชาติที่แล้วก็ไม่รู้คล้ายอย่างนี้หรือเปล่าไม่รูแ้แต่ว่ามันก็เกิดเกิดมาแล้วชาตินี้ก็เหนื่อยไปเหนื่อยใหม่ชาติต่อไปอีกวนเวียนไปวนเวียนมาไม่มีที่สิ้นสุด ชาติที่แล้วก็พยายามพิสูจน์ตนเองให้ตนเองสําคัญชาตินี้ก็พิสูจน์อีกแล้วพิสูจน์อยู่เรื่อยชาติต่อไปก็พิสูจน์อีกแล้วเอากลับไปกลับมานะไปเกิดเป็นหมาเป็นแมวก็พิสูจน์นะพิสูจนะ์ ส, สถานที่พิสูจน์กลิ่นกันอะไรกันนะที่ทํามากินกันก็ไปข้ามถิ่นก็ไมได้ไปกัดแปอะไรคนอื่นเขามันก็เหมือนเหมือนกันเนะี่ยพิสูจน์ตนเองมานานแล้วอันนั้นเพราะว่า มีความไม่รู้จึงเกิดชาติมาแล้วก็ได้ชรามรณะวนเวียนกันมาทีนี้ผู้ที่เห็นภายในการวนเวียนอันนี้ผู้ที่เห็นภายในการวนเวียนอันนี้ท่านเรียกว่าภิกษุเห็นภายในการวนเวียนภายการวนเวียนนั้นเป็นเกิดจากวงจรของความไม่รู้กิเลสกรรมวิบากเป็นปฏิจจสมุปบาทฝ่ายเกิดทุกข์นะคงเคยได้ยินนะนะกิเลสกรรมวิบาก อันนี้เป็นวงจรแบบย่อของปฏิจจสมุปบาทฝ่ายเกิดทุกมีกิเลสมีความไม่รู้ไปยึดว่ามีตัวเรามีของเราเราก็ต้องทำเพื่อรักษาหน้าเราเพื่อให้เราได้รับประโยชน์สูงสุดเสียประโยชน์น้อยที่สุดให้เรามีความสำคัญอันนี้เกิดกรรมเกิดกรรมก็ได้รับวิบากตามสิ่งที่ตัวเองทำนะวิบากคือสิ่งที่เราได้รับ เช่นว่าเราทำอันไหนเราก็ได้รับอันนั้นอ่ะบางคน อ, อยากได้แล้วเกินอันนี้ถามว่าสิ่งที่ทำคืออะไรคืออยากได้ฉะนั้นได้ผลมาคือได้อยากก็อยากได้อ่ะก็ได้อยากผลมันคือได้อยากส่วนจะได้จริงหรือไม่ได้จริงนะคุณต้องทาเหตุเอาอีกแต่ที่คุณทำตอนนี้คือคุณอยากได้ฉะนั้นคุณก็ได้อยากนั่นแหละคุณก็ทุกไป นั่นคือวิบากที่คุณได้รับแล้วฉะนั้นไอ้ในโลกที่เราเกิดมาเนี่ยนะทุกคนเป็นไปตามกรรมหมดอยู่ที่ว่าเราจะทำอะไรก็จะได้อันนั้นถ้าเราอยากจะได้สิ่งที่เราได้ขึ้นมาก็คือได้อยากนั่นแหละเมื่อเราปลูกต้นไม้อันแรกที่เราได้คือได้ปลูกถ้าเราจะขับรถอันแรกที่เราได้คือเราได้ขับได้มีประสบการณ์กับการขับรถ ถ้าเราไม่เลือกอันนี้เราก็จะไม่ได้มีประสบการณ์เรื่องนี้ถ้าเราอยากมีประสบการณ์กับการทาดีเราก็ได้ทำแต่เดิมไม่เคยทำตอนนี้มาทำอย่างนี้นะ <c oughs> ฉะนั้นโลกนี้นะที่เราอยู่นี้จะสร้างประสบการณ์ตามการกระทำของเราตามความคิดความรู้สึกตามคําพูดและการกระทำทางกาย หรือที่ว่าเราเลือกแบบไหนแต่เวลาพูดถึงวิบากของเราชอบคิดถึงอะไรชอบคิดถึงเงินทองคิดถึงลาบยศตําแหน่งอะไรต่างๆหลากหลายเหลือเกินอันนี้มันเป็นผลพวงเท่านั้นเองผลพวงของหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เรามารวบรวมกันขึ้นแต่ว่าวิบากหรือว่าผลที่มันได้แน่นอนคือได้ตอนนั้นนั่นแหละนะเราได้กายได้ใจมาแล้วเราสามารถใช้มันทําอะไรก็ได้อย่างนี้ ความคิดก็เป็นเครื่องมือของจิตก็ใช้มันทํากรรมชนิดไหนก็ได้มันก็จะได้ทําขึ้นมาอยู่ที่เราเลือกเลือกได้อันเดียวเท่านั้นนะแต่ละคนเลือกได้อันเดียวฉะนั้นเวลาที่เรารู้เข้าใจอย่างนี้แล้วเราจึงไม่ควรใช้ชีวิตแบบหลงลืมควรใช้ชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะเราจะได้ดีไม่ได้ดีอะไรนะนั้นเป็นเรื่องหนึ่งส่วนว่าการเลือกนี้ควรจะเลือกด้วยสติด้วยสัมปชัญญะ ด้วยปัญญาด้วยการรู้เท่าทนนันตนเองเพราะว่าเราทําได้อย่างเดียวคือการเลือกเท่านั้นส่วนนั้นดีนั้นไม่เคยมีอยู่จริงเพราะว่ามันเป็นอนาคตเหมือนเราทํางานเราก็คิดว่าโอ้เดี๋ยวต่อไปเราจะได้เงินแต่ตอนนี้คือได้ทำส่วนเงินได้ไม่ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้แหละเพราะว่าในอนาคตพอมันมาถึงมันก็กลายเป็นปัจจุบันไปแล้ว นั้นที่เราได้จริงๆคือได้ปัจจุบันคือได้การเลือกนะฉะนั้นถ้าจะเลือกก็จะเลือกตามหมอดูหรือว่าอจะเลือกตามคนอื่นเพราะว่าต้องเลือกอย่างมีสติสัมปชัญญะอันนี้เป็นจุดที่สําคัญที่สุดนะพราะเราเลือกได้อันเดียวแต่เราทั้งหลายพากันไม่มีที่พึ่งเอาคนนั้นบ้างเอาคนนี้บ้างเป็นที่พึ่งพอได้ดีมาได้สมปรารถนามาก็ไปยกความดีให้เขา อหมอดูท่านบอกดีแล้วเกินเนี่ยไปทำตามท่านเลยได้ดีมาจริงๆถ้าไม่ทําตามหมอดูอาจจะได้ดีกว่านี้ก็ได้เพราะว่าเรามีทางเลือกได้อันเดียวนะฉะนั้นชีวิตมันมีอยู่จริงแค่ปัจจุบันเท่านั้นเองที่สําคัญคือตอนปัจจุบันเนี่ยเลือกอะไรก็จะได้อันนั้นแหละคือได้เลือกนั่นเอง น, นี่เป็นกฎนะเป็นกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมนะครับ แันเราได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจมาแล้วถ้าจะให้ดีที่สุดนี่นะในเมื่อวงจรนี้ทําให้เราเกิดมามันมีปัญหาเยอะแยะหลากหลายเหลือเกินเราก็ลองดูพอเห็นแล้วว่าเอ้ยวงจรนี้มันมีแต่ปัญหาก็อยากจะออกจากมันก็ใช้มันนั่นแหละเป็นเครื่องศึกษานะศึกษาให้ห่างไกลจากอิเลก็ไม่หลงทํากรรมก็ไม่ต้องมารับผลวิบากอะไรต่อไปแล้ว อย่างนี้นะฉันในการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนานี้เขาปฏิบัติโดยการรู้ทันกิเลสเพราะว่าต้องการห่างไกลาจากกิเลสผู้ห่างไกลาจากกิเลสเรียกว่าพระอริยะเจ้าผู้หมดกิเลสโดยสิ้นเชิงเรียกว่าพระอรหันตะ์เห็นไหมไม่มีกิเลสทางไกลาจากกิเลสก็ไม่ทํากรรมเพื่อตัวเราก็ไม่เกิดวิบากวนเวียนขึ้นมาอย่างนี้ ดนะงนั้นพระพุทธศาสนานี้จะสอนให้ออกจากวงจร น, นั่นเองโดยเริ่มจากการรู้เท่าทันกิเลสแล้วก็ไม่ทําตามกิเลสขันธแรกคือไม่ทําทุจริตต่างๆไม่ทําผิดศีลโดยการรู้เท่าทันเจตนาในใจตนเองแล้วก็ละเจตนาไม่ดีไปทําไมต้องละไปอ่ะก็เจตนาไม่ดีมันทําให้ตัวเองเป็นทุกข์อ่ะนะเรารักตัวเองอยากให้ตนเองเป็นสุขพอเจตนาไม่ดีเราก็ละไป เจตนาไปทำร้ายคนอื่นหาหยิบไม้ค้อนหาวิธีไปทำร้ายเขานี่มันเหนื่อยจะตายเราก็เห็นว่าเอ้ยมันเหนื่อยเราก็ละมันไปนะอย่างนี้เห็นไหมนี่ความหมายของภิกษุทั้งหลายภิกขุแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายแ ล, ว, ล, ยแลว่าผู้ที่เห็นภายในวัดตั้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงเรียก ลูกศิษย์หรือว่าสาวกของท่านว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายแล้วพุทธเจ้าที่ท่านออกบวชนี้ท่านก็เห็นภัยของอันนี้นะถ้าใครเคยอ่านประวัติพุทธประวัติใช่ไหมเขาเขากรก่ท่านเลยนะกร่าท่านไม่ให้ไปเห็นอะไรที่ไม่ดีใช่ไหมวันดีคืนดีท่านก็ไปเห็นคนเกิดวันดีคืนดีก็ไปเห็นคนเจ็บคนแก่เห็นคนตายท่านก็โอ้ยมีเกิดแก่เจ็บตาย ทำไงจะพ้นได้ท่านก็เลยออกหัวหาวิธีที่จะไม่เกิดท่านกลัวการเกิดตั้งแต่ต้นแหละซึ่งก็คนที่คิดแ ล, ล้วกลัวการเกิดได้อย่างนั้นก็มีสองคนน่ะที่คิดได้มีพระปัจเจกพุทธเจ้ากับพระพุทธเจ้าส่วนเราทั้งหลายต้องฟังเอาฟังเอาแล้วไปดูเอาว่าความเกิดนั้นมันสร้างปัญหาอะไรให้บ้าง แล้วก็ค่อยๆเห็นมันไปถ้ายังไม่เห็นมันก็ไม่กลัวเราแต่นั้นถ้ายังไม่กลัวก็ไม่เป็นไรให้ดูว่ายังไม่กลัวก็แล้วกันบางคนยังชอบเกิดอยู่พอพูดถึงไม่เกิดโอ๊ยหวาดเสียวไม่รู้จะเอาตัวเองไปไว้ที่ไหนเลยนะยังรักบ้านครอบครัวรักคนนั้นรักคนนี้อยู่อนะยังมีของเยอะอยู่อนะนี่เราก็ฟังไปก่อนแล้วก็ละฝ่ายที่มันทําให้เกิดทุกข์ ในเราก็อยากเป็นสุขใช่ไหมก็อนล้างฝาที่มันเกิดทุกข์ซะก่อนให้มันค่อยๆลดลงไปนะครับนี่ความหมายของพิเกเวแปล ว, ว่าดูก่อนพิสุททั้งหลายอัตตีปาเธอทั้งหลายจงมีตนเองเป็นเกาะ น, นะจะได้ไม่จมน้ำไม่จมไปตามโลกไม่จมไปตามกิเลสต่างๆโลกทั้งหลายนั้นมันไม่ได้มีคุณมีโทษในตัวมันเองนะ โลกทั้งหลายนั้นมันเป็นของกลางแต่ว่าที่มันมีโทษขึ้นมาเพราะกิเลสของเราเองกิเลสที่ไปหลงยินดียินร้ายกับโลกถ้าไปหลงยินดียินร้ายกับโลกก็เรียกว่าจมลงไปในโลกแล้วเหมือนกับเราจมลงในทะเลฉะนั้นเราต้องมีตนเองเป็นเกาะนะเห็นรูปด้วยตาแล้วเห็นหน้าคนนี้แล้วเราชอบให้รู้ว่าชอบไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบ นี่เรียกว่ามีตนเองเป็นเกาะเอาไว้รู้ทันใจตนเองบางทีรู้ไม่ทันใจเรารู้กายเราก็ได้หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เดินยืนนั่งนอนเราก็รู้แต่ถ้าเราไม่รู้ฟักเราก็จะหลงไปตามโลกเลยเราคงหลงมาจนฉินแล้วนะไม่ต้องยกอุปมาแล้วเรื่องการหลงเนี่ยคือมันลืมตัวเอง น, นั่นเองลืมกายลืมใจตนเองวิหาระะแปลว่าดําเนินชีวิตอยู่ เธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะแล้วก็ดําเนินชีวิตอยู่ให้เราดําเนินชีวิตในโลกไปตามปกติใช้ชีวิตกินอาหารนั่งนอนยืนเดินสัมพันธ์กับผู้คนไปตามธรรมดาแต่ว่าให้ใช้วิธีการมีตนเองเป็นเกาะนะให้ใช้วิธีการรู้เท่าทันตนเองเป็นหลักวิหารถักแล ว, ว่าการดําเนินชีวิตการใช้ชีวิตอยู่ อัตตสารนามีตนเองเป็นสารณะมีตนเองเป็นที่พึ่งอัตตะดีป่าแปลว่ามีตนเองเป็นเกาะ อ, อัตตะสารนาแปลว่ามีตนเองเป็นสารณะมีตนเองเป็นที่พึ่งที่พึ่งโดยปกติเขาก็หมายถึงสองสิ่งก็คือสิ่งที่จะทำให้เจริญก้าวหน้าอย่างหนึง่งเป็นแบบแผนชีวิตที่จะทำให้เจริญก้าวหน้าดียิ่งขึ้นไปอย่างหนึง่งกับ สิ่งที่จะป้องกันอันตรายอย่างหนึ่ง น, นะสิ่งที่จะทำให้เราเจริญก้าวหน้ามีคุณภาพยิ่งขึ้นไปก็คือตัวเราเองสิ่งที่จะป้องกันอันตรายไม่ให้เข้ามากล้ากลายก็คือตัวเราเองเหมือนกั น, นอย่างนี้เรียกว่าอั ต, ตสรณามีตนเองเป็นที่พึ่งเราทั้งหลายคงมีที่พึ่งเยอะนะแต่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้มีตนเองเป็นที่พึ่ง มีตนเองเป็นเกาะมีตนเองเป็นที่พึ่งอนัญญาสารณาอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยนะครับนี่ท่านพูดถึงตัวเราเองนะฉะนั้นพระพุทธเจ้านี้เสกอะไรให้เราไม่ได้นะท่านแค่มาบอกความจริงท่านวางตนเองเป็นผู้บอกความจริงพอวางเป็นตัวเองเป็นผู้บอกความจริงแล้วด้วยความที่ท่านเป็นสัพพัญญุท่านก็บอกวิธีปฏิบัติต่อความจริงให้มันถูกต้อง เราจะได้ประโยชน์จากความจริงได้ความรู้จากความจริงเกิดปัญญาเป็นของตนเองแล้วก็พ้นทุกได้ฉะนั้นสิ่งต่างๆพระองค์บอกหมดเรียบร้อยแล้วอย่างนี้ก็หมดหน้าที่ของศาสน า, าแล้วต่อไปก็เป็นหน้าที่ของเราเองนะแล้พระพุทธเจ้าช่วยเราได้เท่านั้นแหละได้คือบอกทางนั่นแหละบอกทางที่พระองค์บอกทางนี้มันก็ถือว่า เป็นการจบหน้าที่ของลงแล้วพอเรารู้ทางก็อยู่ที่ว่าเราจะเดินไหมเท่านั้นเองถ้าเรารู้ทางแล้วได้ยินได้ฟังคำสอนแล้วเราไม่เดินอันนี้จะไปโทษใครก็ไม่ได้ถ้าจะโทษก็คือกิเลสเท่านั้นเองนะถ้าเจอคำสอนแล้วโอ้ยขี้เกียจหรือว่าโอ้ยธรรมะมันยากเหลือเกินเอื้อมไม่ถึงมิตพานโอ้อกใกล้อะไรบัวไป คือสรุปแล้วคือเขาอยากอยู่นานๆผู้นินน่งๆที่เรนนั่นนะก็พวกที่ยังไม่เห็นภัยของการเกิดเขาก็จะคิดอย่างนั้นคิดว่าโอ้โหธรรมะเนี่ปฏิบัติยากเหลือเกินเขาว่าอย่างนี้นะแต่โดยความจริงแล้วเลี้ยงลูกยากกว่าเยอะเลี้ยงลูกมีวุ่นวายเยอะแยะเลยมีแฟนคนหนึ่งก็ลํำบากลาบนจะตายอยู่แล้วนะแต่ก็ยังอยากมีแต่ก็ยังอยากมีแฟนอยากมีลูกใช แต่พอบอกว่าอา้าวนั่งสบายๆนะดูลมหายใจเข้าหายใจออกนะโอ้โหยากจะตายแล้วนะอะไรก็ไม่รนะกิเลสนะอันตนกว่าเราจะเห็นหน้ากิเลสเห็นความติดข้องในโลกต่างๆนะเราจึงจะสามารถละมันได้นั้นวัฏฏะสงสารหรือว่าการวนเวียนไปในโลกนี้มันอันตรายสำหรับ คนที่เขารู้แล้วและมันก็อันตรายแต่ว่าไม่รู้สึกว่าอันตรายสำหรับคนที่ยังไม่รู้ไม่ได้ไม่ได้มีข oh. ้อยกเว้นนะคืออันตรายพอๆกันนั่นแหละแต่คนที่รู้แล้วเขารู้ว่ามันอันตรายและมันก็ยังอันตรายเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่า ม, มันรู้สึกไม่เป็นอันตรายเลยสำหรับคนที uh> uh <t uh> <t uh ่ยังไม่รู้มันเรือบต่างกันที่ความรู้เท่านั้นเองนะไม่ใช่มันจะเปลี่ยนได้นะมันเปลี่ยนไม่ได้เราธรรมะมันเป็นอย่างนั้นของมัน อยู่ที่คนรู้หรือคนไม่รู้เท่านั้นเองจุดปลอดภัยก็มีแต่พระนิพพานสภาวะที่พ้นจากโลกเท่านั้นนะอย่างนี้นะครับส่วนคนไม่รู้เขาก็ยังไม่เห็นแต่ที่ยังไม่เห็นก็ไม่ใช่ข้อแก้ตัวว่าจะไม่ทุกข์เหมือนเราเกิดมาแล้วมันก็ต้องแก่เจ็บแล้วก็ตายไปเป็นธรรมดาในะระหว่างนั้นก็มีทุกข์เยอะแยะมากมายหลากหลาย ต้องให้จัดการต้องให้แก้ไขไปมีความดีบคั้นมากมายเหลือเกินนะครับฉะนั้นไม่มีข้อยกเว้นสําหรับคนไม่รู้กฎหมายยังอาจจะมีข้อยกเว้นได้ว่าเออผมไม่รู้ผมไม่ผิดอะไรก็ว่าไปแต่ว่าทํามานี้ไม่รู้ยิ่งทุกข์หนักกว่าเดิมไม่มีข้อยกเว้นว่าไม่รู้แล้วจะไม่ทุกข์นะ นั้นพระพุทธเจ้าท่านก็สอนอัตตะดีปาพิขเววิหราระอัตตะสรน า, าอนัญญสรน า, าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะดำเนินชีวิตอยู่เธอและงจงมีตนเป็นสราระอย่ามีสิ่งอื่นเป็นสราระเลยตนก็คือตัวเราเองนะกายใจเรานี้เป็นเกาะเป็นที่พึ่ง แล้วก็อย่าไปมีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งต้องพึ่งตัวเองเท่านั้นนะครับธรรมะดีปา่าธรรมะสารนาอนันยสารนาคือจงมีธรรมะเป็นเกาะจงมีธรรมะเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยเพราะว่าคำว่าตัวเราตัวเรากายกับใจขันธ์ทั้งห้าเนี้ยก็คือธรรมะนั่นเองถ้าใครยังไม่รู้ว่าอันนี้คือธรรมะ แล้วไปหาธรรมะที่โน้นบ้างที่นี้บ้างจะบรรลุอย่างโน้นอย่างนี้จะเห็นธรรมะอย่างโน้นอย่างนี้อันนี้คงจะตายเปล่าตายเปล่าจริงถ้าไม่รู้ว่าไอเราเองเนี่ยหละคือธรรมะมันเป็นธรรมะมาแต่ไหนแต่ไหนนะเพียงแต่เราไม่รู้ไปหลงเข้าใจผิดและหลงยึดมั่นถือมั่นมันเท่านั้นเองเมื่อเราฝึกฝนเรียนรู้รู้จักตนเองว่าโอ้ยนี่มันเป็นธรรมะเป็นกระบวนการทํางานของมันอย่างนี้ตาไปมองเห็น แล้วเกิดความรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้เกิดกิเลสชนิดนั้นชนิดนี้ขึ้นมาพาเราไปทําอย่างนั้นอย่างนี้จนเกิดทุกอย่างนู่นอย่างนี้ขึ้นมาไม่ได้มีตัวตนจริงจังอะไรเป็นแต่ธรรมะที่มันเกิดก็เห็นแล้วก็ดับไปอะไรอย่างเงี้ยจนกว่าจะรู้อย่างนี้นะจนกว่าจะยอมรับได้ว่าแท้ที่จริงเรานี่เองแหละคือธรรมะเราไม่ได้ไปหาธรรมะที่ไหนหรอก คนที่ยังไปหาธรรมะที่อื่นที่ประสบการณ์ตรงนั้นทีตรงนี้ทีอันนั้นคงยังจะห่างไกลามากบางคนชอบหาประสบการณ์หาธรรมะตรงนน้นตรงนี้นะถ้าภายนอกตัวไปก็ไปหาตามถ้าตามภูเขาอะไรก็วาไปทีนี้ลึกซึ้งลงมาก็ไปทำให้จิตสงบไปทำให้จิตมันนิ่งทำให้อะไรก็ว่าไปแล้วจะไปหาธรรมะจากความนิ่งนั่นน่ะความสงบนั่นน่ะความอะไรนั่นน่ะ เห็นอะไรพิเศษพิสดารกว่าคนทั่วไปนะนะั่นนหะอันนี้ก็คงจะตายปล่าเหมือนกันะอันนี้เสื่อมพระพุทธเจ้าท่านบอกมันเสื่อมจิตใจอาจจะดีมีความสงบความสงบไม่เสื่อมแต่ว่าปัญญาเสื่อมไม่รู้ธรรมะตามที่มันเป็นจริงนะเหมือนตอนท่านตรัสรู้ใหม่ๆนะบอกว่าเออเราจะสอนใครดีนาะ นึกถึงอาจ า, า, ารย์เก่าอาลาละดาบดกับอุธกาดาบดพวกนี้เขาโอ้เล่นชานนักํำนานมากใจเขาดีนิ่งมากสงบมากนะพอรู้ว่าสองท่านนั้นตายซะแล้วโลงก็เลยอุทานขึ้นมาว่าโอ้พวกนินเสื่อมเหลือเกินนะจิตเขาก็ยังสงบอยู่ไปเกิดที่อารูปภพอีกนานมากกว่าจะได้ กลับมากว่าจะหมดอายุแต่ว่าพระพุทธเจ้ากบ็บอกว่าเสื่อมอย่างมากเริงเพราะว่าเสื่อมปัญญาไม่เห็นความจริงอย่างต้องวนเวียนไปอีกยาวนานและยิ่งคนที่อยู่นานอย่างนั้นแม้มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้อีกหลายๆองค์ก็จะยังไม่ได้กลับมาที่นี่แหละเพราะว่าเหมือนเราแค่จิตสงบเนี่ยเราจะไม่สนใจฟ้าดินอะไรไม่สนใจใครนะลองสังเกต ด, ดูก็ได้อันนี้เรียกว่าเสื่อมแล้ว ายรักความไม่เที่ยงความบังคับไม่ได้เนี่ยไม่สนใจแล้วเพราะว่าฉันสงบแล้วเนี่ยจะไปสนใจฟ้าดินอะไรอันนี้เสื่อมนี่นิ่งแล้วฉันนิ่งแล้วจะไปสนใจอะไรนะ่ะนิ่งแล้วเนี่ยใช่ไหมอย่างนี้เสื่อมเพราะว่ามันไม่เกิดปัญญาเนะี่ยไม่เกิดการเรียนรู้ความจริงว่าทุกสิ่งมันเป็นของไม่เที่ยงทุกสิ่งมันเป็นของบีดคั้นบังคับมันเป็นของไม่คงสภาพเดิม ทุกสิ่งมันเป็นของบังคับไม่ได้มันเป็นอนัตตานะแบบนั้นอันนั้นคือเราไปหาธรรมะที่อื่นต้องหาธรรมะในกายในใจเราเอย่างนี้ดังนั้นถ้ามีปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นให้เรารู้ตัวเองเป็นหลักนะรู้ตัวเองเป็นหลักรู้ที่มันเป็นปัจจุบันก็เหมือนกับความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกก็เหมือนกันที่ยกไปแล้วก็วคือให้เราดูตัวเองเป็นหลักไม่ต้องสนใจคนอื่น เราสัมพันธ์กับคนอื่นเพื่อจะรู้จักตนเองให้มันเข้าใจทีนี้เวลามีสภาวะต่างๆเกิดขึ้นก็เหมือนกับคนอื่นนั่นแหละอย่าไปสนใจเขาให้รู้จักเขาแล้วก็สนใจตัวเองว่าอ่านี่มันชอบคนนี้มันไม่ชอบคนนี้โอ้นี่มันชอบความสงบนี่มันไม่ชอบความฟุ่งซ่านนี่มันไม่ชอบความโกรธ น, นะมันชอบความเมตตานะนี่มันเฉยๆเฉยๆแล้วไม่ชอบอะไรก็ว่าไปให้สนใจตัวเองเป็นลัก พวกความสงบความฟุ้งซ่านก็เหมือนคนอื่นนั่นะเห็นมเราสัมพันธ์กับทุกสิ่งทุกอย่างนีเพื่อจะรู้จักตนเองรู้จักธรรมะตัวเราเองตัวเราเองนี้ก็เป็นคำสมมุติเรียกความจริงคือธรรมะนะธรรมะฝ่ายสังขารสังขารธรรมเวลาแยกธรรมะเป็นสองหมวดก็แยกเป็นฝ่ายสังขารกับฝ่ายวิสังขาร น, นะค ร, ระับฝ่ายสังขา น, นี้ มันอิงอาศัยกันและการเกิดขึ้นตามกฎของอิทับปัจยยตาปฏิจจสมุปบาทเกิดขึ้นมาแล้วก็ตกอยู่ภายใต้กฎตรายักษ์เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันที่หนึ่งฝ่ายสังขารอันที่สองคือพระนิพพานก็คือไม่ตกอยู่ภายใต้กฎอันนี้แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ตัวตนของใครเหมือนกันเป็นอนัตตาให้เรามีธรรมะเป็นเกอะ การแรกก็คือธรรมะฝ่ายสังขารเนี่ยเรียนรู้มันให้เข้าใจแล้วก็ท้ายที่สุดเมื่อปล่อยวางธรรมะฝ่ายสังขารแล้วก็จะมีธรรมะฝ่ายที่สังขานั้นเป็นที่พึ่งอีกทีหนึ่งคือพระนิพพานก็มีอยู่สองอันนี้นะครับธรรมะสารนาให้มีธรรมะเป็นสาระเป็นที่พึ่ง อนัญญสรนาอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยนะครับอันนี้ก็เป็นคำสอนแบบยอดที่สุดแล้วนะถ้าเราได้ฟังเท่านี้ก็จบแล้วไม่ต้องฟังอีกก็ได้ก็คือไปดูตัวเองเวลาก็ <_ seeds> ดูกายดูใจตนเองนะกายเรามันมีอะไรบ้างมีหายใจเข้าหายใจออกก็รู้มันมันนั่งก็รู้มันนั่งมันยืนก็รู้มันยืนยนะ มันเจ็บมันปวดตรงนี้ก็ให้รู้มันจิตใจมันเป็นยังไงมันชอบมันไม่ชอบมันกังวลมันคิดมากมันฟุ้งซ่านเราก็รู้มันไม่ลืมมันนะเราฝึกศึกษาเรียนรู้ตนเองไปเราก็จะเข้าใจตนเองมากขึ้นฝึกให้รู้เท่าทันจิตใจของตนเองเราก็จะได้มีตนเองเป็นเกาะมีตนเองเป็นที่พึ่ง ไม่ได้มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งคือมีธรรมะเป็นเกาะมีธรรมะเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ ง, น, งนี้เพราะความจริงมันเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าเราโดยส่วนใหญ่นั้นชอบออกไปนอกตัวชอบไปหาที่พึ่งที่อื่ น, นคิดว่าที่พึ่งที่อื่นนี่มันจะทำให้เรามั่นคงเที่ยงแท้ถาวร อ, อะไรได้แต่โดยความจริงแล้ว การตัวเรานี่ไปขอพึ่งเขานะตัวที่ไปขอพึ่งเขาอ่ะยังไม่เที่ยงเลยนะแล้วคนที่เราไปพึ่งเนี่ยมันจะเที่ยงได้ยังไงครับผมตัวที่เราไปตัวคนเราเองยังไม่แน่ไม่นอนเลยไอคนที่เราไปขอเขาเนี่ยมันจะแน่จะนอนได้ยังไงครับนะเหมือนเขาชอบว่ากันอนะชอบอะไรโอ้นี่คู่กันคู่แท้คู่จริงอะไรก็ไม่รู้ ขนาดคนที่จะไปเป็นคู่เขามันยังไม่จริงเลยนะแล้วตัวที่จะมาเป็นคู่มันจะจริงได้ยังไงก็ไม่รู้นะแต่เราก็ดันไปชื่อเขาเองนะดังนั้นมันก็เอาละนะคนไม่รู้สองคนหลอกกันมันก็โอเคอก็พอฟังได้ล้นย้อนว่ากันเถอะนะดงนั้นถ้าเราเข้าใจตนเองแล้วเราก็จะไม่ถูกคนอื่นหลอกนะเพราะขนาดเรามันก็ยังไม่แน่ไม่นอนอะไรคนอื่นมันก็เหมือนเหมือนกันอะมันจะมีอะไร อคนนั้นจะช่วยเราคนนี้จะช่วยเราอะไรโอ้มันเป็นไปไม่ได้หรอกนะขนาด <c ười> พระพุทธเจ้ายังปล่อยเรามานั่งแง่งอยูอย่ตรงนี้เลยไม่ต้องพูดถึงคนอื่นแล้วเห็นไหมเรานับถือพระพุทธเจ้าว่าศาสตราแท้ๆนะท่านยังปล่อยเรามานั่งอยู่นี่เลยแล้วคนอื่นใครนะเป็นศาสดาไม่มีแล้วขนาดศาสตาแท้ๆยังช่วยไม่ได้เลยก็ <c ười> ยังบอกอยู่ว่าต้องช่วยตัวเองต้องช่วยตัวเองอยู่ดังนั้นเราเลิกหวังเลยนะ ฉะนั้นถ้าเราหวังถ้าหวังก็ได้เหมือนกันแต่ได้หวังนะเป็นไปตามกรรมนะในเมื่อกรรมคือการหวังก็ได้ผลของกรรมมาคือได้วัง น, นั่นเองเอาละทีนี้มาว่ากันไปแหละนะส่วนอนาคตจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะอยู่แบบลุบๆุบแรงแรงไปเราทั้งหลายเราชอบอย่างนี้นะชอบพอได้วังนิดหน่อยใครให้ความหวังก็เอาแล้ว เข า, า่เฮ้ยเธอทำอย่างนี้สิจะดีเราก็ได้หวังใช่ไได้หวังแล้วก็เขาก็ให้ให้ความหวังมาเราก็อยู่กับความรู้สึกตรงนั้นนัน น, นมันไม่แน่ไม่นอนนะมีแต่ทำให้ตนเองหลงงงนายไปเป็นทุกข์ไปฉะนั้นหน้าที่ของเราทั้งหลายคือดูตนเองเป็นหลักนะครับ ต่อไปเมื่อเราดูตนเองเป็นหลักอย่างนี้ดูกายดูใจตนเองเป็นหลักอย่างนี้ก็จะสามารถที่จะพิจารณาถึงความทุกข์ความเกรียดความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นในกายในใจนได้พระองค์ตรัสต่อไปว่าอัตตะดีปานังพิข เ, เววิหารตังอัตตะสารณ า, านังอนัญญสารณ า, าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอทั้งหลายมีตนเองเป็นเกาะมีตนเองเป็นที่พึ่ง ดำเนินชีวิตอยู่คือมีตนเองเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งธรรมะดีปานังธรรมะสรณ า, านังอั ญ, ญอนัญญะสรณ า, านังมีธรรมะเป็นเกาะมีธรรมะเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งโยนิอุปปะปริขิตบาเธอก็จะสามารถพิจารณาถึงเหตุที่ทําให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้โยนิแปลว่าเหตุท้องไหม เหตุต้นตอของมันที่ทําให้เกิดขึ้นมาอุปา ป, ปริคิตา บ, บาแปลว่าการพิจารณาหรือว่าการดูการมองเห็นเห็นรายละเอียดมากขึ้นนะถ้าเราไม่ศึกษาเรียนรู้ที่กายที่ใจเราเองนะเราก็จะไม่รู้ว่าพวกความทุกข์ต่างๆนี้มันมาได้ยังไงดูไปก็ไม่ถูกเช่นความเศร้านี่มาได้ยังไงโอ้ยเศร้าเพราะลูกตายอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆ มันไม่ใช่อันนี้เขาพูดแบบคนไม่รู้ตอนนั้นเองลูกตายไม่ได้ทำให้เราเศร้านะไม่อยากให้ลูกตายเนี่ยทำให้เราเศร้าอยากให้ลูกมันเป็นเน่ยอยากให้ลูกมันมีชีวิตอยู่ทำให้เราเศร้าลูกตายมันเรื่องของมันไม่เกี่ยวส่วนอยากให้ลูกมันมีชีวิตอยู่เนี่ยมันทำให้เราเศร้าเงินเสียหายไปมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องทำให้เศร้า สิ่งที่ทำให้เศร้าคือเราไม่อยากให้เงินมันเสียไปอย่างเงี้ยนะทีนี้มันซ้อนมาหลากหลายอย่างเช่นสมมติเรื่องลูกเราเศร้าขึ้นมาเพราะลูกตายอันนี้พวกไม่รู้เขาคิดอย่างเงี้ยพอรู้ขึ้นมาหน่อยเขาก็จะรู้ว่ า, อ, าอ้าวอ๋อที่เศร้าขึ้นมาเพราะไม่อยากให้ลูกตายนี่นะลูกมันตายมันไม่ได้ดังใจมันก็เลยเศร้าลึกลงไปอีกแท้ทจริงก็ ไปเจอตัวต้นตออยู่ทีหลังอีกทีหนึ่งคือความเข้าใจผิดความหลงผิดว่ามีตัวเราพอมันมีตัวเราเราก็จะหลงผิดเข้าใจผิดว่ามันเป็นของเที่ยงเป็นของคงทนเป็นของยั่งยืนอย่างนี้นะการที่พิจารณาลงไปจนเห็นเหตุต้นเ้าของปัญหาต่างที่เกิดขึ้นของความเครียดความวิตกกังวลความเดือดร้อนใจที่เกิดขึ้นอันนี้ก็เรียกว่าโย น, นิ เหตุที่มันเป็นต้นต่อซึ่งจะพิจารณาได้โดยการที่เรามีสติสัมปชัญญะนะดูกายดูใจไ ป, ไปบ่อยๆสิ่งเหล่านี้มันเกิดที่ใจไม่ได้เกิดที่โลกนะทุกนี้มันเกิดที่ใจฉะนั้นถ้าไม่เรียนรู้จิตใจตนเองแล้วมันไม่มีทางที่จะรู้เท่าทันมันได้ไม่ได้เกิดที่โลกไม่ใช่ว่าคนตายทําให้เราเศร้านะคนตายอยู่ทุกวันเราไม่เห็นเศร้านี่นะ เราจะทำท่า ม, มันจะไม่ตายอยู่เลยคนตายเราก็ดูอยู่ด้วยข่าวคนนั้นก็ตายคนนี้ก็ตายแต่เราก็ไม่เห็นทําท่ า, ทาว่าจะตายฉะนั้นคนตายเนี่ยไม่ได้ทําให้เราเศร้าเลยนะที่มันเศร้าเนี่ยมันตางอันหนึ่งคือเราไม่อยากให้ไอีคนนี้ยึดขึ้นมาเนี่ยคนนี้มันตายมันดันตายเราเลยเศร้านะเห็นไหมนี <found> ่ <right? S 2> มันเกิดจากความยึดอีกทีหนึ่งเกิดจากความเข้าใจผิด อะไรอีกทีต่อกันมาหลายชั้นนะการทรัพย์สินเสียหายนี่ไม่ได้ทำให้เราเศร้าคนอื่นก็ทรัพย์สินเสียหายเยอะแยะไปคนยากจนเยอะแยะไปเราไม่เห็นเศร้าอะไรนี่นะดูข่าวดูอะไรเราก็เฉยๆอยู่ตัวเองก็ยังดีอยู่เลยมันไม่ได้ทำให้เศร้าเลยเห็นมะอย่างนี้เมื่อพิจารณาลงไปตามความเป็นจริงก็จะเห็นได้ แต่การที่จะเห็นได้นะมันต้องมีสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันจิตใจของตนเองสะก่อนก็คือต้องทำอัตตาดีปาเป็นต้นสัก่อนมีตนเองเป็นเกาะมีตนเองเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเมื่อทำอย่างนั้นได้แล้วก็จะสามารถพิจารณาถึงเหตุที่ทำให้เกิดสิ่งต่างๆได้พิจารณาถึงอะไร กิงชาติกาโศกปริเทวะทุกตะโทมนัสุปายาสาโศกปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสะเกิดเพราะอะไรกิงปะโหติกาอะไรเป็นเหตุทาให้โศกเป็นต้นเหล่านี้เกิดขึ้นมาที่เราเศร้าอยู่ทุกวันนี้นะที่ใจมันเคลียดที่ตกกังวลที่มันวุ่นวายมันเดือดร้อน มันอึดอัดคับค้องคับแขนเหมือนตนเองตกเป็นเหยื่อถูกคนนั้นทําอันตรายเราอยู่เรื่อยคนนั้นทําอย่างนั้นเราอยู่เรื่อยอะไรพวกเนี้ยมันเกิดจากอะไรเนี่ยนะที่เราไม่ชอบ ว, ว่าคงพวกโศกกาปฏิเทวะอะไรพวกเนี้นะพวกนี้มันเป็นแค่ปลายทางเท่านั้นเองที่เราอึดอัดคับคล้องใจคับแขนใจรู้สึกเหี่ยวแห้งรู้สึก วุ่นวายกระวนกระวายอยู่ทุกวันนี้อยู่ไม่เป็นสุขเพราะอะไรนี่ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะนะรู้กายรู้ใจตนเองบ่อยๆเราก็จะสามารถพิจารณาเห็นมันได้นะครับต่อไปพระพุทธเจ้าก็จะตรัส บ, บอกว่าที่เกิดโศกปริเทวทุกโทมณอุปายาสขึ้นมานี้เกิดขึ้นมาเพราะอะไรนะแต่ที่จริงแล้วก็เกิดขึ้นมาเพราะความเข้าใจผิดเกิดขึ้นมาเพราะ ความหลงยึดมั่นถือมั่นถ้าเราไม่เข้าใจผิดไม่หลงยึดมั่นถือมั่นก็ไม่เกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นมาฉะนั้นเราไม่ต้องละความเครียดไม่ต้องละความเศร้าโศกความเสียใจความขับแข้นใจไม่ต้องละปัญหาพวกนี้เลยให้ละปัญหาคือความไม่รู้ของเราเองความเข้าใจผิดของเราเองมันทําให้เกิดปัญหานี้ขึ้นมาใช่ไหมนะ ต่อไปย่อหน้าที่สองอ่านร้องกันนะครับกิงชาติกาจะพิกเวสกะปริเดวะทุกขะโตมณสุปายาสากิงบโหติกาอิทะพิกเวอสุตวาปุถุชนโอะอริยานางอะดาสาวีอริยธรรมมัสสะ อะโกวิโดอริยธรรมเมอวินิโตสัพ sa ุริสา낭อะนัสสาวีสัพุริสธรรมมัสสะอะโกวิโดสัพุริสธรรมเมอวินิโตรูปังอัตโตสามนุปัสติรูปะวันตังวาอัตนาน อัตติวารูปังรูปัสมิงวาัตานังตัสตะตังรูปังวิปรินามติอัญญาถาจะโหติตัสสะรูปะวิปรินามัญญถาภาวาอุปปัชันติโสกะปริเดวะทุกขโดมนัสสุปายาสา นี่นะในย่อหน้าที่สองพระองค์ก็จะตรัสบอกถึงว่าพวกโศกปริเทวทุกโทมนัตอุปายาสะเป็นต้นมันเกิดจากอะไรมีอะไรเป็นแดนเกิดนะซึ่งเราจะเห็นได้นี้เราต้องมีสติสัมปชัญญะนะจึงจะมองเห็นตอนนี้พระพุทรรธเจ้าท่านตรัสให้ฟังเอาไว้ก่อนแล้วก็ฟังให้พอเข้าใจนะ แต่พอฟังแล้วไม่ใช่เราจะเข้าใจอย่างนั้นเลยไม่ใช่เราจะยอมรับเลยเราต้องไปดูกายดูใจมีธรรมะเป็นเกาะมีธรรมะเป็นวิพึ้งกันนะไปดูมันให้เข้าใจแล้วก็จะเห็นเห็นแล้วก็จะยอมรับนะครับฉัเวลาเรียนธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงนะพระองค์แสดงความจริงหน้าที่ของเราคือฝึกให้เกิดปัญญาเห็นความจริงอย่างนั้นะไม่ใช่ว่าโอ้ยเรียนธรรมะไปแล้ว เข้าใจธรรมะแล้วไม่ใช่อางนั้นนะอันนี้เราก็คิดเราเองนะมันยังไม่เข้าใจนะบางคนก็เรียนคําของพระพุทธเจ้าก็ไปยึดคําพระพุทธเจ้าอีกอะไรเนงะี้ยอันนี้มันก็ยังห่างไกลความจริงมากเหมือนอุปมายอย่างนี้อท่านยือนอยู่ ใ, ใกล้ๆผมท่านบอกว่าอผมบอกว่าเออท่านท่านรถมันวิ่งมาแล้วจะชนท่านเนี่ยท่านอย่าสนใจคําพูดผมนะท่านสนใจรถรถที่มันวิ่งมานะแล้วกระโดดหลบมันะ ถ้ามาสนใจคําพูดผมเป็นไงรถเป็นชนตายพอดีเนะ่ยนี่ก็เหมือนกันนะนะฉะนั้นคําพูดเนี่ยเป็นคําที่สื่อสึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งหน้าที่ของท่านคือไปดูไปเห็นสิ่งนั้นไม่ต้องสนใจคําของคนพูดเหมือนพระพุทธเจ้าท่านพูดท่า น, นก็จะบอกอ่าเธอทั้งหลายจงตั้งใจให้ดีนะตั้งใจฟังแล้วก็ตั้งใจมนานสิกการถึงสิ่งที่พระองค์กล่าวเวลาพระองค์กล่าวถึงรูปเราก็ มานัธิการหรือว่าใส่ใจถึงรูกองกล่าว ถ, ถึงเวทนาเราก็ใส่ใจถึงเวทนาความรู้สึกไม่ใช่ไปใส่ใจถึงคําพูดไม่ใช่อย่างนั้นนะแค่ใส่ใจถึงคําพูดนั้นมันไม่ทําให้เกิดความรู้แบบที่ผมบอกยกตัวอย่างเรื่องรถวิ่งมาอย่างนี้ยท่านไปสนใจคําพูดผมว่ารถวิ่งมาไม่ใช่หมายความว่าท่านจะหลบรถได้หน้าที่ของท่านคือมองดูรถแล้วก็กระโดดหลบอย่างนี้นนะ นี่ของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันนี้แหละ น, นี่อุปมาง่ายๆนะดัะนั้นเราทั้งหลายก็อย่า ย, ยึดติดกับถ้อยคาหรือว่ายึดติดกับเรื่องนั้นเรื่องนี้มากเกินไปให้รู้จักสิ่งที่เขาต้องการสื่อว่าต้องการสื่ออะไรพระพุทธเจ้าท่านสื่อขึ้นมาก็สื่อให้เราเข้าใจความจริงของสิ่งทั้งปวงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอินอาศัยกันและกันเกิดขึ้น เกิดมาแล้วก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเท่านี้แหละพอเราไม่เข้าใจความจริงมันก็หลงยึดมัน่นถือมั่นก็เกิดโสกะปริเทวะทุกขโทมนันอุปายาสติดตามมาอย่างนี้นะครับในย่อหน้าที่สองพระองค์ตรัสว่ากิงชาติกาจะพิกเวโสกะปริเทวะลุขะโดมานสุปายาสาดูกนภิกษุทั้งหลายโสก คือความเศร้าโศกปริเทวะความรำพันทุกขัดความทุกขโทมนต์ความไม่สบายใจอุปายาส์ความเหี่ยวแห้งในใจสิ่งที่เราไม่ชอบกันนั้นเลยนะความขับแค้นความบีคันความเครียดความวิตกกังวลพึดอัดโอ้อะไรก็ไม่รู้อยู่ในนี้หมดเลยนะเกิดจากอะไรกิงปะโหติกาอะไรเป็นแดนเกิด ของสิ่งเหล่านี้นพวกความเครียดความวิตกกังวลความถูกบีบคั้นอะไรพวกนี้เราคงจะไม่ต้องอธิบายกันมากเราคงจะรู้สึกกันอยู่นมีคนว่าเราเราก็รู้สึกโดนบีบคั้นเราเคยไปทําผิดมาหรือว่าทําอะไรไม่ดีมาก็กลัวคนอื่นก็จะแฉเอาบ้างอะไรบ้างโอ้มันเหนื่อยเหลือเกิน น, นี่เราคงจะรู้อยู่ปกโซกะบริเตวาเนี่ยนะ แต่จริงๆอันนี้มันเป็นปลายเหตุเา น, นั้นเองไม่ได้มีอะไรนะอะไรหลับเป็นเหตุเกิดเป็นแดนเกิดของสิ่งเหล่านี้พระองค์ตรัสว่าอิท่าพิกเวอัสุตวาปุตชโนดูก่อนภิกษุทั้งหลายปุตุชนผู้ไม่ได้สดับในโลกนี้นะมันเกิดกับพวกปุตชชนที่ไม่ได้สดับไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้ยินได้ฟังธรรมะไม่ได้เรียนธรรมะไม่ได้ศึกษาธรรมะ อริยานาังอดัสสาวีไม่ได้เห็นพระอริยเจ้าทั้งหลายนี่พวกบุตรชนนี่นะไม่รู้จักพระอริยเจ้าไม่รู้จักผู้ที่ห่างไกลาจากกิเลสอริยแะแปลว่าผู้ที่ห่างไกลาจากกิเลสไม่เคยเห็นไม่รู้จักอริยธรรมัสอโกวิโดเป็นผู้ที่ไม่ฉลาดในอริยธรรมในธรรมะที่จะทำให้ ห่างไกลาจากกิเลสเป็นผู้ไม่ฉลาดในธรรมะเหล่านี้ธรรมะที่จะทำให้ห่างไกลาจากกิเลส น, นะเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านสั่งสอนคือทุกสิ่งทุกอย่างอิงอาศัยกันเกิดขึ้นไม่ได้มีตัวตนอะไรเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยแบบนี้จะทำให้ห่างไกลาจากกิเลสถ้าไม่ใช่ธรรมะเหล่านี้นะมันจะไม่ห่างไกลาจากกิเลสหรอก สมมตโอ้เป็นคนดีนะมีศีลดีนะเราก็ไปรักศีนนะมีเมตตาดีนะเราก็ชอบเมตตานะอันนี้มันไม่ห่างไกลาจากกิเลด ส, สวรรค์ดีนะโอ้ดีดีเราก็รักสวรรค์อีกจิตสงบดีนะเราก็รักจิตสงบอีกอันนี้มันก็ไม่ห่างไกลาจา ก, กเกลียดสักทีงวัวแต่ชอบอันนึงกเกลียดอันนึงอยู่นั่นแหะวนไปวนมาอยู่อย่างเนี้ย น, นะอันนี้เพราะว่าไม่ฉลาดใน ธรรมของพระอริยะในอริยธรรมธรรมะของพระอริยะนี่นะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดีเท่านี้ะสั้นนิดเดียวแต่ว่ามีคนฉลาดน้อยมากเลยคือเพราะว่าเขาเนะ่ยมีแต่จะเอานู่นจะเอานี่นะจะเอาจิตสงบไม่เอาแล้วจิตไม่สงบนะมันก็เกลียดอันหนึ่งไปรักอันหนึ่งแล้วเกลียดนรกจะเอาสวรรค์อีกแล้ว ว่าคนผิดชมคนถูกนัก็อีกแหละเหมือนกั น, นส่วนใหญ่จะชมตัวเองใช่ไหมตัวเองถูกคนอื่นผิดนั่นมันก็เป็นอย่างนี้นะมันก็เกิดกิเลสไปทั่วแหละนี่เพราะว่าไม่ฉลาดในอริยธรรมไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยเจ้าอริยธรรมเมอวินีโตไม่ได้รับคําแนะนำในธรรมะของพระอริยเจ้า ไม่มีคนบอกไม่มีคนสอนไม่มีคนคอยตักเตือนไม่มีคนแนะนําบ่อยๆนะฉะนั้นที่เรายังมีโอกาสได้ฟังธรรมะประเภทนี้นะธรรมะประเภทว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนานๆจะได้ฟังดีนะะไปวัดโน้นบ้างวันนี้บ้างอ่านหนังสือเล่มโน้นเล่มนี้บ้างหาไม่ค่อยเจอนะอันนี้ นะส่วนใหญ่จะบอกโอ้ยทำแบบนี้จะดีทำแบบนี้จะถูกแต่จะบอกว่าถูกไม่เที่ยงนะยากมากที่จะตีขิตนะต้องคิดอย่างนี้นะถึงจะดีที่จะได้ยินว่าคิดไม่เที่ยงเนะยากมากที่จะตด้ินคิดแบบนี้ถึงจะดีนะต้องแบบนี้ต้องโพสิทีฟทิงกิ้งอะไรกไ็ว่าไปทั่วเข้าท่าดีเหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่พ้นทุกหรอกเพราะว่ามันไม่ใช่ธรรมะของพระอริยเจ้า ธรรมะของพระญาติเจ้าเนี่ยมันเหนื อ, อ น, นั้นไปคิดดีก็ไม่เที่ยงทําไม ต, ต้องไปเชื่อเขาด้วยไม่เคยคิดดีหรือไงแล้วพนทุกหรือเปล่าทําไมแค่เขาบอกว่าโอ้คิดดีแล้วจะดีอย่างโน้นอย่างนี้ทําไมเราไม่เคยคิดดีเหรอคิดดีมันตั้งหลายทเที่ยวแล้วเป็นสันแสนทเที่ยวแล้วก็ไม่เห็น พ, นพ้นทุกข์อะไรก็ยังทุกข์อยู่ดีแต่พอใครมาบอกว่าต้องคิดดีนะเราก็ยังเชื่อเขาอยู่ดีเห็นไหมเนี่ยคนมันหลงเน่ยช่วยไม่ได้คนระับ ฉะนั้นมันต้องได้รับคําแนะนำในธรรมะของพระอริยเจ้าทําไมก็เคยคิดดีมาตั้งหลายเที่ยวแล้วมันก็ไม่เห็นคนทุกข์ก็ยังทุกข์อยู่ดีไม่ใช่ว่าตอนเด็กเราไม่เคยคิดดีที่ไหนเราก็เคยคิดดีเราก็เชื่อฟังพ่อแม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์ขยันเราก็พยายามทําตัวเป็นคนดีของเพื่อนบ้างของสังคมบ้างพยายามพิสูจน์นั่นพิสูจน์นี่มาตั้งเยอะแล้วพอโตขึ้นมาเขาก็บอกมีให้คิดดีอย่างนี้อย่างนี้เราไปเชื่อเขาอีกนะคอนจีิ ทำยังกับไม่เคยคิดดีกันน ะ, ะเนี่ยฝ่ายคิดดีฝ่ายคิดไม่ดีก็เหมือนกันคิดไม่ดีมันก็ไม่เที่ยงมันก็ดับไปแต่ถ้าเราไปอ่านหนังสือทั่วไปเขาบอกโอ้คิดไม่ดีมันไม่ดีอย่างนั้นนะไม่ดีอย่างนี้นะอะไรพวกนี้นะเราก็เลยปล่อยรู้สึกผิดไปด้วยโอย้ตัวเองคิดไม่ดีเราเลวขนาดนี้เลยเหรออย่างนูน้นอย่างนี้ไปนะ ถึงเราจะรู้สึกผิดเราก็ไม่ได้พ้นทุกอยู่ดีนะเราก็เคยเคยคิดไม่ดีมาหลายเที่ยวแล้วเคยรู้สึกผิดมาหลายเรื่องแล้วแต่ก็ยังทุกข์อยู่เหมือนเดิมฉนั้นแค่การคิดไม่ดีแล้วรู้สึกผิดอะไรพวกนี้มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเนี่ยเอาประสบการณ์ของเรามาดูก็ได้เนี่ยฉะนั้นท่านจึงบอกให้มีตนเองเป็นเกาะมีตนเองเป็นที่พึ่งเอาประสบการณ์นั่นแหละมาเป็นเครื่องสอนตอนเองว่าที่เราเคยทําทํามาเนี่ยมันก็ทํามาหมดแล้ว มันไม่ได้พ้นทุกอะไรจริงๆรนะิเราก็เป็นทุกอยู่จนถึงทุกวันนี้แหละเพราะอะไรเพราะไม่เห็นพระอริยะเจ้าไม่รู้จักพระอริยะเจ้าไม่ฉลาดในอริยธรรมไม่ได้รับคําแนะนําในอริยธรรมนะสัพพุรสัพปริสรานางอนัสสาวีไม่ได้เห็นท่านที่เป็นสัพพุรุษผู้ที่ท่านสงบจากกิเลสสัพุริสธรรมมัสสะ อากวิโดไม่ฉลาดในสัพุริสธรรม <c oughs> ไม่ฉลาดในสัพพุริสธรรมธรรมะที่จะทําให้เป็นสัพุรุษผู้ที่สงบจากกิเลสผู้ที่กิเลสสงบสัพพุริสธรรมเมอวิณีโตไม่ได้รับคําแนะนําในสัพปริสธรรมนะธรรมะประเภทที่จะทําให้กิเลสสงบมีธรรมะประเภทเดียวเท่านั้นนะที่ทําให้กิเลสสงบได้ คือการยอมรับความจริงของสิ่งทั้งปวงว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดีก็ไม่เที่ยงไม่ดีก็ไม่เที่ยงแบบนี้แหละเราจึงจะละความยึดติดละความชอบในฝ่ายดีได้ละความละความชังในฝ่ายไม่ดีได้ไม่อย่างนั้นเราจะไม่สามารถที่จะหมดกิเลสได้ไม่สามารถที่จะละความเห็นผิดความยึดมั่นถือมันได้ ในเมื่อเรายังมีของเป็นคู่ๆอย่างนี้เราก็จะไม่รู้ธรรมะหนึ่งคือพระนิพพานเลยจนกว่าเราจะข้ามธรรมะคู่ๆอันนี้ไปก่อนนะการข้ามก็โดยการรู้จักมันตามที่เป็นจริงนะครับเราทั้งหลายยังอยู่ในโลกนี้มันอยู่ภายใต้อิทธิพลของของคู่ของเป็นคู่กันนะแต่ยังอยู่ภายใต้อิทธิพลของของที่เป็นคู่กันอยู่เรียกว่าตกอยู่ภายใต้ อิทธิพลของโลกเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนเราบอกว่าเรารักความดีเรารักสวรรค์อันนี้ก็ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของของคู่อยู่ถ้ายังรักสวรรค์อยู่ก็แสดงว่ายังรักฝ่ายตรงข้ามด้วยคือรักนรกด้วยบางคนไม่ยอมรับโอ้ยผมไม่รักนรกแหละคำว่าไม่รักเนะี่ยก็เป็นการรักชนิดหนึ่งนะยังสนใจมันอยู่ ยังสนใจโลกอยู่ก็เหมือนเราชอบคนนี้แต่ไม่ชอบคนนี้ก็คิดถึงสองคนนี้พอๆกันคนที่ชอบกับคนที่ไม่ชอบเนี่ยคิดถึงมันพอๆกันและสองคนนี้ก็ทำให้เราทุกข์ได้พอๆกันนะเพราะว่ามันยังมีคู่นะยังตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของโลกอยู่อิทธิพลของของที่เป็นคู่โลกโลกะแปลว่าของแตกดั ของเกิดแล้วก็ดับของเกิดดับมันเป็นของคู่ถ้าใครยังตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของการเกิดชอบเกิดไม่ชอบตายอย่างนี้ก็ได้เกิดได้ตายไปเรื่อยๆนะชอบได้มาไม่ชอบเสียไปอันนี้ได้มากระเสียไปมันเป็นของคู่ไงร่างกายสุขภาพดีกับป่วยนี่เป็นของคูนะ่สุขภาพดีตลอดไม่ได้นะมันต้องไม่สบายด้วยปนกัน ถ้าสุขภาพดีแล้วก็สบายใจสุขภาพไม่ดีแล้วก็เศร้าทุกข์อันนี้ก็ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของความเป็นคู่อันนี้ก็จะได้สบายบ้างไม่สบายบ้างวนเวียนไปเรื่อยอย่างนี้ไปเรื่อยเพียงแต่ว่าในมนุษย์นี้สบายเยอะหน่อยถ้าไปเดรัจฉานเป็นไงไม่สบายเยอะหน่อยอย่างเงี้ยถ้าไปนรกก็ไม่สบายมากหน่อยอย่างนี้มันก็วนเวียนไปวนเวียนมาอย่างนั้นนะครับ ในโลกนี้โลกมันอยู่ได้เพราะของคู่ใครที่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของของคู่นี้ก็เรียกว่าผู้ที่ยังติดอยู่ในโลกยำยาทั่วไปก็เนี่ยภายนอกเสียงชมเสียงด่าอันนี้เป็นต้นเสียงชมเรายัางฟูกับมันไหมเสียงด่ายัางแฟบกับมันไหมอันนี้ก็ชื่อว่าตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของโลก มีคนนินทาเป็นไงบ้างมีคนมาแฉเป็นไงบ้างเ็นไ น, นี่เราก็ลองสังเกตดูตัวเองก็แล้วกันนะถ้ายังตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของโลกก็เรียกว่าผู้ทุชนเป็นผู้ที่ยังมีกิเลสหนาแน่นไม่รู้จักไม่เห็นพระอริยเจ้าไม่ฉลาดในอริยธรรมไม่ได้รับคำแนะนำในอริยธรรม ไม่ได้เห็นท่านสัพพุรุษไม่ฉลาดในสัพพุริสธรรมไม่ได้รับคำแนะนำในสัพพุริสธรรมก็เลยต้องวนเวียนไปวนเวียนมาอย่างนี้นะครับสำหรับท่านผู้ที่หมดกิเลสแล้วผู้ที่ห่างไกลจากกิเลสเป็นอริยเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นต้นท่านก็จะไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของโลกแต่ท่านก็ยังอยู่ในโลกเหมือนเดิมไม่ใช่ไม่มีคนด่าพระพุทธเจ้านะ มีคนด่าเหมือนกันมีคนมาด่าในเมืองหนึ่งพระอานนท์ก็บอกว่าโอ้ยเขาด่าแล้วพระพุทธเจ้าเอ้ยหนีดีกว่าเขาด่าแล้วเมืองเนี้พระพุทธเจ้า ก, ก็บอกว่ า, าถ้าหนีจากเมืองนี้ไปอะ่ะเขาด่าอีกทําไงห น, นีอีกสิถ้าเขาด่าอีกอ่ะทําไงห น, นีอีกหนีไปเรื่อยๆพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าหนีแบบนี้มันไม่มีที่สิ้นสุดหรอกอยู่ที่นี่แหละอยู่ต่อไปนี้แหละ อไปบิณฑบาตเขาด่าให้ด่าไปด่าไปเจ็ดวันนะก็เลิกแล้วเพราะว่าอาจจะมีเหตุผลหลากหลายเพราะคนด่ามันเหนื่อยแล้วก็ได้หรือว่าเราเห็นว่าเอ็ด่าไปไม่ใช่เรื่องจริงนี่นะพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงพวกก็ไม่เอาด้วยก็ได้อย่างนี้นะนี่แล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ยังอยู่ในโลกเหมือนเดิมนะแต่ว่าไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของโลก ยังมีเรื่องเหมือนคนมาแฉมาอะไรเหมือนเดิม น, นะมีเรื่องคนอุ้มท้องมาเนี่ยอถ้าใครชอบอ่านเรื่องๆ เ, เป็นเรื่องๆก็จะมีเรื่องอุ้มท้องมาเลยมาพระพุทธเจ้ากาลังเทศอยู่ท่ามกลางบริษัทเนี่ยคนเยอะๆเลยอุ้มท้องมาเลยบอกว่านี่ท่านสมณะโคดมเนี่ยท่านทําอะไรไว้เนี่ยไม่รับผิดชอบเลยท้องโตแล้วเนี่ยพูดยัางายสมัยนี้ก็เรียกแฉใช่ไเพมาว่า พุทธเจ้าก็เลยบอกว่าอ่าเรื่องนี้นะเรารู้กันสองคนเท่านั้นแหละเนี่ยถ้าเป็นเราทุกวันนี้คงไม่กล้าพูดเรื่องนี้คนระับเรารู้กันสองคนเท่านั้นแหละนีะ่ให้เขาว่ามาว่าทั้งหลายวันนะอย่างเงี้ยฉันเรื่องโลกนี้เป็นเรื่องธรรมดานะคนที่ยังตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของโลกก็ยังต้องวนเวียนต่อไปจนกว่าจะรู้จักมัน สามที่เป็นจริงนะครับเราไม่ได้ไปเปลีป่ยน แ, แปลงโลกหรือว่าไม่ได้เปลีป่ยน แ, แปลงคนนั้นคนนี้หรือว่าปฏิบัติธรรมไปแล้วไม่ใช่จะได้นั่นจะได้นี่อะไรขึ้นมาเยอะแยะนะแท้ที่จริงที่เราปฏิบัติธรรมแล้วสิ่งที่เราได้จะบอกว่าได้ก็ได้คือได้ความเข้าใจแล้วได้ความทราบซึ้งใจกับความจริงนั้นนะว่าโลกเนี่ยมันไม่เป็นตามใจเรามันไม่สามารถที่จะ บางคำบัญชามันได้มันก็เป็นของมันอย่างนั้นนั่นแหละมันได้ความทราบซึ้งใจขึ้นมาเนี่ยถ้าจะบอกว่าได้ได้อะไรได้อันนี้ไม่ใช่ไปได้อะไรประหลาดอัศจรรย์อะไรกันมาได้ความเข้าใจแต่เดิมนี่เราอยู่ในโลกแต่เราไม่เข้าใจเราไม่ทราบซึ้งใจกับมันว่าโอ้มันเป็นผอมไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนักตาเราไม่ทราบซึ้งเราก็มัวแต่ไปขัดขวางมันสิ่งไม่เที่ยงเราอยากจะให้มันเที่ยงสิ่งไม่คงทนเราอยากจะให้มันคงทน สิงมันบังคับไม่ได้เราอยากจะให้มันบังคับได้ต่อมาเรามาเข้าใจสิ่งที่ได้คือการทราบซึ้งกับโลกนะว่าโลกมันเป็นอย่างนี้นี่แหละคือถ้าจะว่าเออรางวัลของการปฏิบัติธรรมคื อ, อไหนก็คืออันนี้เท่านั้นเอง <c ười> คือเข้าใจโลกแล้วเราก็ไม่ทุกข์ก็อยู่กับมันได้มีเท่านี้แหละไม่ได้เอาอะไรหรอกนะบางคนจะเอาโน่นเอานี่ซะเยอะเลย จะเอามาทำไหมก็มีเยอะนั่นแหละมันถึงทุกไม่ใช่หร้อนะพวกที่จะเอานั่นจะเอานี่ก็แสดงถึงว่าตัวเองเป็นคนอนาถาคนไม่มนะีคนขาดแคลนมันถึงจะเอาคนที่เขามีแล้วก็จะเอามาทำไหมและคนอนาถาเนี่ยก็เป็นลักษณะของเปรต เราถูกสอนมาอย่างนั้นนะถูกสอนให้ไม่พอใจสิ่งที่ตัวเองมีต้องทำไปเรื่อยต้องฝึกไปเรื่อยให้คนมองเราอ่ะเราประสบความสำเร็จอย่างโน้นอย่างนี้นนคนอื่นเขาจะยังไงอะไรยังไงแต่โดยความจริงแล้วอันนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกเป็นการมองแบบขอทานคือให้คนอื่นให้คําชมเราหน่อยเราจะได้มีความสุข ให้สังคมมองเราดูดีหน่อยสนใจเราหน่อยจะได้มีความสุขถ้าเราอยู่แบบหมาเมินเนี่ยเราอยู่ไม่ได้แค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรต้องการแค่นั้นเองอย่างนี้นะคำสอนที่เราสอนกันอยู่เราสอนกันแค่นี้เอาแค่นีน้ถ้าจะเอาแค่นี้ก็วนเวียนไปเรื่อยเพราะว่ามันไม่มีอันไหนเอาได้เพราะว่าทุกอย่างมันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นของไม่คงทนเป็นของบังคับไม่ได้ นี่แหละต้นเหตุของการเกิดโสโกกะปริเทวทุกโทมนัสอุปายาสก็คือคนเป็นปุถุชนไม่ได้ยินได้ฟังธรรมะไม่ฉลาดในอริยธรรมไม่ได้รับคำแนะนำในอริยธรรมไม่ฉลาดในสัพพุริสธรรมไม่ได้รับคำในไ ม, ไม่ได้รับคาแนะนาในสัพพุริสธรรมฉะนั้นจึงเกิดความเข้าใจผิดเกิดความเห็นผิด เห็นผิดว่าอะไรเห็นผิดว่ารูปังอัตโตสมนุปัสติเห็นว่ารูปเป็นตัวเราเป็นตัวตนเห็นรูปโดยความเป็นตัวตนรูปังแปลว่ารูปคือร่างกายตอนนี้เป็นส่วนประกอบกันขึ้นของรูปกายนี่ยังไม่ใช่รูปแท้นะกายเนี่ยเป็นส่วนประกอบของรูปรูปนี้เป็นธาตุต่างธาตุดินธาตุน้าธาตุไฟธาตุลม อย่างนี้เรียกว่ารูปทีนี้เมื่อรูปประชุมรวงกันแล้วเรามองเห็นว่ารูปนี้เป็นตัวตนอัตโตะแปลว่าเป็นตัวตนเป็นตัวเราจริงเป็นตัวเราที่มันเพียงแท้หาวอสมนุนปสติแปลว่าเห็นเคยเห็นไหมตัวเราเห็นรูปโดยความเป็นตัวตนแต่เวลาเห็นรูปโดยความเป็นตัวตนเป็นตัวเราก็จะเห็น รูปโดยความเป็นคนอื่นไปด้วยมีตัวเราก็พลอยมีคนอื่นไปด้วยเวลาเราดูในกระจกนะโอ้ยนี่หน้าเราหน้าเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าเห็นรูปโดยความเป็นตัวเราไอหา้หน้าเราไอ้หน้าหน้าเนี่ยมันเป็นรูปที่ประชุมกันขึ้นเป็นกายเป็นส่วนของกายแขนเราเป็นอย่างนี้แขนแขนเป็นตัวเรา ถ้าเราหาดูดีๆตัวเราอยู่ที่ไหนก็าาาหาไม่เจอถูกนะแต่ว่าเวลามันเห็นมันก็ยืดขึ้นมาไปทั่วแหละตัวเราอยู่ที่คอแล้วอยู่ที่ตาหรือเปล่าอยู่ที่แขนหรือเปล่าหาไปเรื่อยมันก็ไม่รู้อยู่ไหนดีนะดูตับไตไใส่ปุงหรือว่าอาการ32ลองหาดูก็ได้มันไม่มีนะทีนี้เวลาคนเน้นผิดมันก็ นึกก็คิดขึ้นมาเป็นคั้งครั้งขึ้นมาพอนึกคิดขึ้นมาเป็นครั้งครั้ ง, ง, ม, ง, ม, ง, งมันก็เกิดความเข้าใจผิดเกิดความยึดมัน่นถือมั่น แ, แต่ที่จริงความรู้สึกว่ามีตัวเราเป็นตัวเราอันนี้เป็นความรู้สึกเฉย onnaise. ๆมันไม่มีจิตนะเราไม่ได้รู้สึกว่าหน้าเป็นเราตลอดนะไม่ได้ไม่ได้คิดเห็นหน้าตัวเองตลอดจะคิดเห็นตอนจะออกจากบ้านเท่านั้นเองไปส่องกระจกหน่อยเดี๋ยวจะไม่หลอ่อหรือว่าจะไม่สวยนะคิดเห็นเป็นครั้งครัง่นันเอง เราอาความคิดอันนั้นที่เกิดขึ้นเป็นครั้งครั้งน่ะมายึดว่ามันเป็นตัวเป็นตนจริงเอาความรู้สึกเออเราหล่อลวเลวยดูดีนะ้ทรงผมนี้เหมาะกับเราแล้วอะไรเงี้ยเอาความรู้สึกที่เกิดเป็นครั้งครังเท่านั้นเองมายึดมั่นถือมั่นว่ามันมีตัวเราจริงๆฉะนั้นจะบอกว่ามันมีก็ได้แต่มีเมื่อเราคิดถึงมันนั่นแหละนึกถึงมันนั่นแหละอาศัยเหตุคือการจะออกจากบ้านจะไปเจอคนอื่นมันเลยไปดูกระจกดูกระจกแล้วก็เห็นเห็นแล้วก็คิดอย่างนี้ แ้าความคิดนี้ความรู้สึกนี้ก็แค่แป๊บเดียวแล้วก็ดับไปไม่ได้มีอะไรไม่ได้คิดอย่างนี้ทั้งวันแต่พอคิดอย่างนี้แล้วเราไม่รู้ไม่เห็นความจริงของสิ่งทั้งปวงไม่เห็นความจริงของความคิดไม่เห็นความจริงของความรู้สึกเราก็ยึดมั่นถือมั่นมั่นว่ามีตัวเราจริงๆอย่างนี้นะอันนี้เรียกว่ารูปังอัตโตสมนุปปสติเห็นรูปโดยความเป็นตัวเราเป็นตัวตน น, นะรูประวันตังวาอัตนานหรือว่าเห็นตนมีรูปเห็นตัวเรานี่มีรูปตัวเรามีแขนไหมเออบางครั้งรู้สึกว่าแขนเป็นเราคอเป็นเราแต่บางครั้งรู้สึกเรามีแขนเพราะว่ามันเกิดทีละครั้งทีละครั้งมันไม่เที่ยงจริงก็เป็นความเห็นผิดเหมือนกันแต่เห็นคนละแบบกันใช่ไหมเรามีแขน เรามีแขนสั้นเรามีแขนยาวเรามีหน้าตาสวยบางครั้งรู้สึกว่าหน้านี้เป็นเราเลยบางครั้งรู้สึกว่าเรามีหน้าที่สวยรู้สึกบางครั้งรู้สึกว่าหน้าเราสิวขึ้นเพ้มันหลายชั้นมากเลยมีเรามีหน้าเรามีสิวมาขึ้นหน้าเราอีกมันหลายชั้นมากคือความเป็นผิดทั้งดุนนั่นแหละเกิดขึ้นเป็นครั้งครั้งแล้วก็ดับไปทาไมมันเยอะอย่างนั้น่ะ พวกนี้มันไม่ฉลาดในอริยธรรมมันหลงผิดอัตติวารูปังเห็นรูปในตัวเราเห็นรูปในตัวเราอีกทีหนึ่งแล้วแต่เราจะยึดอันไหนนะตัวเราตัวเรานี่บางคนก็ยึดรูปบางคนก็ยึดเวทนายึดสัญญายึดสังขารยึดวิญญาณบางคนก็เห็นรูปในตัวเรา ปรูปสมิงว่าอัตนานเห็นตัวเราในรูปนะบางคนไม่ยึดรูปแล้วร่างกายแต่ไปยึดว่ามีตัวเราในรูปมีตัวเราในรูปนี้เคยเห็นตัวเราในรูปนี้ไหมโอ้เราเจ็บเราเจ็บเนี่ยเจ็บนี้มันเป็นเวทนา เอาเวทนานั้นเป็นเราเรานี้มาอยู่ในรูปอีกทีนึงเราคิดดีคิดดีนี่เป็นสังขารยึดสังขารเป็นเราสังขารนี้อยู่ในรูปอีกทีหนึงนี่พ<ม>อเข้าใจไหมฉะนั้นแม้แต่สังขารแม้แต่เวทนาแม้แต่จิตก็ไม่ใช่ตัวเราทั้งนั้นแหละทีนี้เราทั้งหลายนี่ รวบรัดตัดตอ่อทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นตัวเราที่เรามาศึกษามาเรียนรู้ตัวเองก็เพื่อจะเห็นอันนี้ว่าโอ้บางครั้งมันไปยึดรูปว่าเป็นตัวเราบางครั้งไปยึดเวทนาบางครั้งสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อแตกไปบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้ า, ขาตัวเราก็กระจัดกระจายออกไปมันไม่ได้เป็นตัวแท็งๆอย่างนี้แล้วอ่าอย่างนี้ก็จะเริ่มเห็นขันห้าทั้งหลายที่มันทํางานไปเห็นความคิดนึกปรุงแต่ง เห็นสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยของมันเห็นความเข้าใจผิดเห็นความยึดมั่นถือมั่นที่เกิดเป็นครั้งคร้งนะแต่เราไม่เคยเห็นใช่ไหมเวลาเราไม่เคยเห็นมันก็เป็นแท่งเลยนะเราปวดหลังนะเรานั่งปวดหลังนี่นั่งนี่เป็นรูปมันนั่งอยู่ปวดนี่เป็นเวทนาอย่างนี้มันคนละอันกันส่วนตัวเราเนี่เป็นจิตนี่ แต่เป็นจิตเราปวดหลังเราปวดหลังนี่แสดงว่าปวดเนี้ไม่ใช่เราแต่เราเป็นคนไปปวดปวดเป็นเวทนาหลังนี่แสดงว่าหลังไม่ใช่เราเพราะเราปวดหลังน่ก็แสดงว่าเรามีหลังสิเราไม่ใช่หลังแต่เป็นหลังของเราเข้าไหแต่เวลาเราพูดนี่พูดเหมือนเข้าใจกันแต่ว่า พูดเองแล้วก็หลงเองเนี่ยเราเขาเรียกหลงบัญญัติหลงคำพูดพวกปูะชนที่ไม่ได้สดับเขาไม่รู้ความจริงเขาก็พูดสื่อสารขึ้นมาแล้วก็หลงสิ่งที่ตัวเองพูดเหมือนเราบัญญัติเรียกชื่อคนนี้มันเกิดขึ้นมาเขาเรียกใส่ชื่อมันขึ้นมานายกนายขอนามสกุลกห ข, ข, ขเรียบร้อยก็หลงหลงชื่อนี้แหละว่ามีจริงๆด้วยนะเห็นไหมเขาบัญญัติขึ้นมาเพื่อสื่อสารกันให้ง่าย ให้เข้าใจกันว่าหมายถึงอะไรสมมุติมีสี่คนนายกนายขอนายคอนายงอเอาก็มาหน่อยสินายก็มานายขนายคอนายงก็อยู่เฉยเฉยอันนี้เขาเรียกว่าบัญญัติเอาไว้สําหรับง่ายต่อการเรียกชื่อแต่เวลาเรียกชื่อเรียบร้อยแล้วเราหลงกับคํานั่นแนหะว่ามันเป็นจริงเป็นจังขึ้นมานะนี่พอเข้าใจไหม การเรียนแล้วงงเป็นเรื่องปกติไม่งงคงจะบรรลุปไปแล้วอ้าพักสิบนาที